มัสการพระสงฆ์ทุกรูปแล้วขอเจริญสุขไปทำญาโยมนักปฏิบัติทุกท่านตั้งใจฟังตามสบายอาสนะที่เรานั่งอยู่นี่นะครับหลวงพ่อเคยใช้มาเนียถ้าสมมติว่าเรานำไปใช้ข้างนอกเราอ่างกับพื้นที่ไม่สะอาดอาสนะที่ใช้ได้มันไม่ซับ แต่ว่ามันจะใช้ข้างในนี่ก็มีปัญหานี่เพราะว่าในตัวเราเนี่ยมันมีความร้อนสูงขะอัสนะที่นั่งมันระบายความร้อนไม่ได้เพราะเป็นพลาสติกนั่งเป็นนานจะรู้สึกอึดอัดความร้อนไม่มีที่ระบายถ้าจะให้ดีก็มันมีเดี๋ยวนี้มันมีเสือ่ออกันเสื้อจันทบุรีสี่เหลี่ยมนะเสือ้อหน้าหนึ่งเป็นผ้าหน้าหนึน่งเป็นเสื้ออันนั้ก็จะด ร, ระบายความร้อนได้ดีดังเวลานั่งไปนานมันอึดอัดมันรู้สึกร้อนก็สามารถขยับเปลี่ยนระบายความร้อนได้ ในตัวของเรามีความร้อนหลายหลายหมื่นวนุหมุนอยู่ก็โอากาสการที่จะพูดคุยกับพวกเราได้เห็นพวกเราก็มีความสุขแหละถึงนะจะไม่ได้พูดอะไรก็มีความสุขเพราะว่าในการที่เราทุกคนมาพบกันที่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญ แต่มีความเป็นไปเป็นมาหนุ่มน้อยคือคงจะดึกคงจะนอนดึกถึงสายหน่อย น, นะมองหน้าหลวงพ่อเออตังหลับไม่ได้มองหน้านะหลวงพ่อกำลังคุยด้วยหลวงพ่อคุยด้วยแล้วเธอนั่งหลับหลวงพ่อไม่สนุกด้วยแหละก็ในการมาพบกันเนื่องจากว่าพบกันยากก็ เมื่อได้พบกันแล้วก็จะบอกเรื่องความจริงเพราะเวลาเราสั้นงานนี้เราจะมาอยู่กับพ่อเราสักสีห้าวันแต่ก่อนจะมาก็เลยโทรศัพท์มาจากกรุงเทพบอกวหลวงพอง่องานร้อยปีหลวงพ่อเทียนประจำเดือนที่กรุงเทพเนี่ยพระที่จะไปเนี่ยท่านติดธุระสำคัญมาไม่ได้นั้นนิมนต์หลวงพ่อไปไปโปรดด้วยวันที่9ก้าที่สิบ เอา ใ, ใจม า, มาช่วยหลวงตาสัก5้าวันเพราะที่นั่นเป็นเราเราตกลงกันว่าปีนี้เป็นร้อยปีหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนถ้าเกิดปี2454หมาถึงปีนี้2 5 5หแล้วก็จัดงานถวายท่านครบรอบร้อยปีหลวงพ่อเทียนที่นี้ตลอดปีแต่แต่เดือนพฤศจิกายนี้ไปถึงพฤศจิกายนหน้าจะจัดทุกทุกเดือน เดินละครั้งที่กรุงเทพที่สวนจิตุจักอาคารหอจุดหมายเหตุพุทธทาสภิฆูไปจัดที่นั่นวันที่ทุกเดือนของเสาร์อาทิตย์เดือนนี้ตรงกับเสาร์อาทิตย์ก่อนสงกาหน่อยวันที่เาที่ 9-10 บหลวงพ่อเลยจาเป็นต้องไปมีคนเยอะที่กรุงเทพประมาณร้อยส0งคนก็ขาดพระให้กำลังใจหลวงพ่อก็เลยว่าต้องเดินทางไปวันที่9ที่10อาทิตย์เเริ่มรายการ8ปดโมง ถ้าไปวันที่เก้าก็ไป่ทันอีกก็บอกให้นุตาหาไฟล์ให้เลยว่าตอนเช้าดีสี่ดีห้ามีไฟล์ไหมไม่มีก็มีสิบเอ็ดโมงของวันพรุ่งนี้เขาเลยจะตัจากพวกเราไปสิบเอ็ดโมงอาจจะไปสิบโมงเงี้ยก็เลยอยู่กับพวกเราได้วันเมื่อวานนี้ก็วันนี้พรุ่งนี้อีกครึ่งวันเสียดายาตั้งใจว่าจะอยู่หลายๆวันงานมาเยอะเที่ยวนี้ตั้งแต่ลงเครื่องถึงขึ้นเครื่องเนี่ยงาน ตลอดนะก่อนมานี่ก็ที่บ้านนองแก่จังหวัดเชียงบุ้งที่นั่นก็คนเยอะอก็ส่วนหนึ่งที่เขาต้องการหลวงพ่อไปก็เพราะว่าก็เพราะหลวงตานี่ยแหละไปทําเรื่องเขาทําเรื่องอะไรเพราะหลวงตาท่านมีมุกเยอะสามารถมือมุกได้ตลอดทาให้คนติดใจในธรรมะของท่าน มันก็กระเทือนถึงหลวงพ่อว่าใครเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเขาก็เลยไล่ล่าหลวงพ่อเออลูกศิษย์อย่าขนาดนี้อาจารย์จะขาดไหนหลวงพ่อเลยเดือดร้อนอย่างนี้ใช่ไหมไปที่ไหนหลบไม่หลบได้พอหลบหลบไม่ได้ก็ต้องเจอเนะี่ยเที่ยวนี้มาแค่ได้แค่สามเดือนจะต้กลับวันที่สิบสองพฤษภาตั๋วระบุแค่นั้นเอจาจะกลับวันที่สิบสองพฤษภาก็หลวงตาเป็นเรื่องอีกแหละ พ่อพ่อเอกหนังชื่อเจ้าก๊อบหรืออัคคลาเนี่ยไปฝึกหลุงตาอ่าคือติดใจเข้าเพราลุงตาอย่งขณะ น, นี้อาจารย์ลุงตาขนาดไหนพ่อได้ยินว่าลุงพ่อมาจัดอยู่ที่ลานารีสโซเชียงใหม่สาหรับคณะครูของโรงเรียนนานาชาติที่เชียงใหม่เพราะว่าจะมีคอร์สพิธีลําพูลพิเศษเจ้าก๊อฟก็เลยไปลา ง, งานต่อเข้าคอร์สที่นั้นบอกว่าอาจารย์ของลุงตาจะมาจะเท่นก็นเลยมามาได้เจ็ดวัน ปรากฏว่าแกไปเกิจเข้าได้สัมผัสปรมัตยอย่างแรงเรื่องกล่าว บ, บ้านไปแลดมพ่อระดมแม่ญาติพี่น้องนักแสดงดารานักแสดงด้วยกันรวบรวมเลยไม่ไม่บอกก่อนว่าหลวงพ่อมีเวลาแค่นั้นแล้วโทรมาบอกหลวงพ่อทีหลังหลวงพ่อเลยผมมีเพื่อนมีอะไรเรียบร้อยเล่นหลวงพ่อให้เวลาผมอีอาทิตย์นึงได้ไหมจะเอาเวลาไหนหลวงพ่อหมดเวลาแล้วนี่อขออยายเวลาให้ผมหน่อยไม่ได้ ก็เลยเห็นใจแก่ก็เลยแทนที่จะกลับได้วันที่สิบสองพฤษภาก็ต้องขยายไปอีกอาทิตย์หนึ่งก็เป็นวันที่ยี่เอ็ดพฤษภาในงานที่อเมริกาที่ไอเฟรสโนว่าลงเครื่องไปได้พักสองสาวันก็วันที่สิบห้าถึงยี่สิบสองก็เลยต้องเลื่อนไปเป็นเดือนมิถุนาเพรายี่น22บสองนี่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นงานของที่ไอโอเลกอน ก็เลยบินจากนี้ต้องไปลงอเลยกรเลยเข้างานต่อเลย <c oughs> ขนาดนั้ น, น, นงานมันเยอะขนาด น, นั้นดังนั้นเองก็เราต้องการบอกความจริงกันว่าพวกเรามาที่นี่ทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาในจุดเนี้ที่เราจะรู้แล้วก็มาอาศัยพ ร, รพระที่จะบอกความจริงได้แล้วพระที่จะบอกความจริงได้ เราก็คิดว่าเออหลวงตาน่ยจะบอกได้เพราะความจริงที่ท่านบอกเนี่ยมันก็ไม่เครียดเกินไปอยู่ในวิสัยที่พวกเราจะรับได้ก็มาหาท่านนะทีนี้ท่านก็ทํางานหนักหลวงตาทั้งบริหารจัดการทั้งอบรมกรรมฐ า, านจนสุขภาพของท่านไม่ค่อยไหวของพ่อก็เลยเห็นใจก็เลยมาช่วยแต่ว่าไม่ค่อยมาบ่อยหรอกมาบ่อยไม่ไหวหลบงานไม่ไหวใช่ไหม นานมาทีก็ยังหลบไม่ค่อยไหวอยู่นะเขาเรียกว่าหลวงตาฟีเวอร์นะเพราะงั้นเป็นกระแสไปซะและ้วหลวงพ่อก็เลยพอยได้รับกระแสนี้เข้าไปด้วยนะก็นานมาทีใจของหลงตาก็อยากจะให้หลวงพ่อมาเป็นเพื่อนที่นี่แหละไม่ไหวหลวงพ่อก็จะปล่อยป่วยมีคนเอาเงินนเพราะว่างานเยอะหลวงตาท่านเป็นงานหลายอย่างทีนี้ความจริงที่จะบอกกันวันนี้ก็คือว่า เมื่อวานเนี่ยเดินสอดดูนักปฏิบัติก็ตั้งใจกันจริงกันจังนะไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยซึ่งที่อื่นไม่มีอย่างนี้นะที่อื่นโอ้กูจะปรับเข้าที่เข้าทางได้งานที่บ้านน้องแก่ที่ปูนทองที่ผ่านมาคนประมาณสักสองร้อยก็จะปรับเข้าที่เข้าทางได้สี่ห้าวันหมดเวลาของหลวงพอ่อพอดีก็เลยรีบมาที่นี่เข้าที่เข้าทาง คือเรื่องการบอกความจริงกันเนี่ยมันไม่ยากแต่การที่จะเตรียมพร้อมเพื่อให้ยอมรับความจริงได้เนี่ยมันยากการที่จะเอาเมล็ดถั่วไปปลูกมันไม่ง่ายมันไม่ยากแต่การที่จะให้เมล็ดถั่วนั้ขึ้นตามการเวลาและงดงามได้เนี่ยจะทำอย่างไร ถ้าจะหวานไปทั่วมันก็ขึ้นได้เหมือนกันกลัวจะมันโตได้เนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยหรือไม่โตเลยแต่เรามีการเตรียมแปลงอย่างดีดินอย่างดีปุ๋ยอย่างดีน้ําอย่างดีแล้ว่อย ห, หวานมเมล็ดลงไปแล้วก็กําหนดเวลาได้ตามต้องการสามวันห้าวันเจดวันสีวันมันก็งอกขึ้นมามันก็ได้รับผลฉันใดก็ดีพวกเราที่นี่มีมเมล็ดแห่งพุทธะทุกคน เมล็ดแห่งพุท ธ, ธะอยู่ในตัวแล้วทุกคนที่นี้เพียงแต่เตรียมว่าจะเอาเมล็ดเนี่ยลงดินเมื่อไหร่เมื่อดงดินแล้วให้น้ําให้ปุ๋ยพรนดินอยู่ในอากาศที่เหมาะสมน้ําพอดอีดินพอดีมันก็งอกถ้าเมล็ดนั้นไม่รีบถ้าเมล็ดเมล็ดนั้นไม่เสียถ้าเมล็ดนั้นแก่พองอกทุกเม็ดอันนี้คํายืนยันของหลวงพ่อเทียน แต่ว่าคนลงตาจะมาเตรียมแปลงได้ขุดดินทําดินพอดีได้ได้เน่ยลุงตาก็ต้องทํางานหนักพวกเราเพียงแต่เอาเม็ดไปย่อนลงพวกเราคือเป็นเม็ดแห่งพุทธะโพธิโพธิอ่าโพธิอนะ่เป็นเมล็ดแห่งโพธิแล้ว่าพุทธทางกูลสามวันเจวันะ 3, 000, 7, 000, พวกเราก็งอกละแต่งานนี้จะงอกไม่งอกตอนเช้านี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะบอกนะ คือในการที่เรามาเนี่ยถ้าจะถามว่าพวกเรามีความสุขไหมถ้าบอกมีความสุขเนี่ยถือว่าผิดปกติมเมล็ดนั้นไม่งอกนะถ้าสมมติว่าเธอทำแปลงผักแปลงถัว่วแปลงมเมล็ดพืชในไอเนอร์ซิรีหรือไอไอไศูนย์เพาะชำเนี่ยถ้ามันร่มเกินไปเนี่ยมันงอกช้าแต่ถ้ามันยิ่งแดด ยิ่งงอกไวใช่ไหมแต่น้ำต้องพอเพราะนั้นมันได้เนื้ภูมิได้ความร้อนช่วยแสงสว่างช่วยนะันใดก็ดีเรามาที่นี่เรามีความทุกความทุกเกิดเสมือนดึงความร้อนและแสงสว่างเป็นความร้อนแต่การที่จะแปลความร้อนให้เป็นแสงสว่างเนะี่ยเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์เรียกว่ากัลยะาณมิตร ถ้าเป็นความร้อยอย่างเดียวถ้าไม่มีแสงสว่างไม่มีอากาศพอสมควรแล้วมันก็ไหม้มันก็เสียที่นั้นก็ต้องเปความพอดีของมันนั่นหมายความว่าพอเรามานั่งปฏิบัติที่นี่สามวันเจ็ดวันเนี่ยได้ขาว่าสามวันแรกนี่ต้องนั่งปฏิบัติกันในสลาทั้งวันเลยใช่ไหมเป็นเทคนิคของครูบาอย่างนี้แหละถ้าสามวันนี้ถ้าใครนั่งงูงให้เห็นหรือมีนิวรณให้เห็นนะท่านบอกให้กลับบ้านพเพรแสดงว่าไม่บานอ่า ควจริงเขาในทั้งโลกเนี่ยเขาใช้เวลาสัมภาษณ์และทดสอบเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็รู้ผลออกมาว่าผ่านไม่ผ่านเรียนต่อได้ไม่ได้แต่เรื่องได้ใช้เวลาสามวันให้นั่งในสลาเนี่ยดูว่าใครผ่านง่วงได้ก็จะได้ปฏิบัติต่อไปใครผ่านง่วงไม่ได้ก็หอบเสือกลับบ้านโอ้เทคนิคที่ใช้ได้ทีเดียวนะนั่นเองนั่นคือมีการเตรียมแปลงเพาะ อ, อย่างดีแล้วเนี่ยพอนําการแปลงเพาะใน nursery นพอ สามวันแค่นั้นต้นขึ้นสูงแล้วทีนี้พอเมื่อวานนี้พอออกไปปฏิบัติต่างคนก็ต่างทํำเต็มที่นั้นหมายความว่าเอาลงแปลงปลูกเรียบร้อยแล้วต้นไม้พร้อมที่จะพุ่งทีนี้มันจะเป็นหมากเป็นผลหรือไม่เนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึง่งเรื่องว่ามันจะเป็นหมากเป็นผลหรือไม่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ปลูกต้นไม้นั้นอาจจะไม่ยากแต่การที่ต้นไม้เนี่ยเป็นดอกเป็นผลเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งว่ามันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พร้อมไหม แล้วความจริงที่จะฟังกันวันนี้เข้าใจไหมความจริงที่จะบอกวันนี้ก็คือว่าในที่เรามานั่งที่เนี่เราพกความทุกข์บางคนก็ยังไม่ทุกข์หรอกแต่จะบอกประพกความอยากความต้องการมาแล้วถึงขอนขวายในเทศกาลอย่างนี้หน้าร้อนใกล้สงการต่างคนชาวบ้านทั่วไปก็เตรียมตัวเพื่อสนุกสนาน แต่พวกเราเตรียมตัวมาเพื่อมาศึกษาเรื่องนี้อันนี้คือความวิเศษของจิตวิญญาณของพวกเราเป็นมเมล็ดที่มีความพร้อมสูงมากนะฉะนั้นเองพวกหลวงพ่อหลวงตาจึงละเลยไม่ได้ที่จะต้องอดูแลจุดนี้การให้น้ําให้ปุ๋ยให้แสงสว่างแต่พอดีเพื่อให้มเมล็ดแต่ต้นไม่อันนี้ได้งอกงามเติบโตและเป็นมากเป็นผลได้ตามต้องการต้นไม้โดยธรรมชาติ มันจะเป็นหมากเป็นผลได้จะห้าปีสิบปีหรือสามปีห้าปีแล้วแต่พันของมันแต่ต้นไม้แห่งพุทธาเนี่ยมันสามารถงอกและเติบโตรับได้ภายในเพียงวันเดียวอันนี้คือความพิเศษหรือบางทีเพียงชั่วโมงเดียวได้ซ้ำไปนะนั้นเองในความจริงเบื้องต้นที่พวกเราต้องรับทราบหรือบางคนทราบไปแล้วก็ถือว่าทบทวนกนแล้วกัน ว่าในเมื่อเรามีความทุกข์เป็นพื้นฐานแล้วนั่งเนี่ยดูดีๆแล้วก็ทุกข์ทุกข์ตั้งแต่จําได้ไหม ต, ตั้งแต่ลงนั่งปับ๊บหย่อนขัลงนั่งปั๊บตั้งแต่วินาทีแรกจนมาถึง น, นวิธีนี้เนี่ยพวกเรานับไหมว่าเราพวกเราเปลี่ยนท่ามากี่ท่าแล้วเปลี่ยนท่านั่งมากี่ท่าแล้วอจําได้ไหมไม่ได้ไอาการที่จำไม่ได้ก็เรียกอาศงไขย อ้สงไขยสงไ ข, ส, งขสังขยะสังขยาด้วยนั้นไปว่านับออจสังขยาออจสงขัยตัว น, นับไม่ได้ถามว่าตั้งแต่หย่อนกค้นลงนั่งนัตรงนี้เนี่ยจะมาถึงวินาทีนี้เนี่ยหายใจกี่ครั้งแล้วนับได้ไมั้ยไม่ได้อ้สงไขยแสนกลับเพราะว่าสี่ไอ้สงขัยทุกที่มันเกิดขึ้นในขณะนั่งก็นับไม่ได้ ทุกที่เกิดขึ้นในขณะเดินก็นับไม่ได้ทุกในขณะที่เรานอนก็นับไม่ได้ทุกในขณะที่เราเดินยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าสีอสงไขยแสงกับภาษามของเขานะ่นะแต่มหายาเหลือสามอสงไขยนะแต่เทราวาทนสีอสงไขยสามอสงไขยอันนี้เรื่องนอกเรื่องนะยังไม่เข้าความจริง ว่าอยากจะบอกว่าเรามาที่นี่เรามีความทุกข์เป็นพื้นฐานนั่งอย่างไงก็เมื่อนั่งท่านี้สบายเหลือเกินจะนั่งสักชั่วโมงหนึ่งไหวไหมไม่ไหวโอ้ยืนท่านี้สบายเหลือเกินจะยืนสักสองชั่วโมงไม่ไหวนั้นแค่ถามบอกว่าเธอว่านั่งที่เนี้ยแค่มาถึงเนี้ยไม่ถึงสองชั่วโมงเนี่ยเปลี่ยนท่านั่งไปรู้ไม่รู้กี่ท่าหายใจไปรู้ไม่รู้เท่าไหร่ถามว่าเพราะอะไร ตอบพ่อได้ไหมพาะ อ, อะไรถึงเปลี่ยนมากขนาดนั้นเพราะความทุกข์ในอียิปต์มันรุกรานเราตลอดเวลาแล้วต้องหนีกันแทบไม่ทันใช่ไหมทุกหนึ่งนาทีสองนาทีไม่เกินสิบนาทีต้องเปลี่ยนแล้วแต่คนไหนนั่งนานกว่านั้นไปไงทุกก็ไหม้ขาเราไม่แซ่บๆเลยมัง น, น, นัน่นนะมันไล่เราขนาดนั้นน่ะเราสังเกตมันบ้างไหม เพราะฉะนนพระพเจ้าท่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเ่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปถ้าไม่มีทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับถ้าไม่มีทุกขไม่มีการดับทุกเราทศกัณฐ์ไม่จําเป็นต้องเกิดมาด้วยอืท่านตรัสณะนั้นแต่พ่อเรามีทุกจะมีสุขบ้างตอนไหนมานั่งนี้มีสุขบ้างไหมมีบ้างไหมมีความสุขบ้างไหมหนุ่มหนุ่มน้อยที่นั่งหลับเนี่ย มีความสุขในการหลับเออไม่ไม่ไม่ต้องไปปลุกเขาให้เขามีความสุขในการหลับนะหลับเธอหลับต่อก็แล้วกันเพราะว่าขนาดเธอเนี่ยต้องกำลังกินกําลังนอนมานั่งทรมานันาดนี้นหลวงพ่อไม่รู้ทําบ้าหรือเปล่านะ่ะเพราะฉนั้นหลับให้เป็นสุขหนุ่มไม่ต้อง <laughs> ถ้าฝืนถึงสาครั้งแล้วฝืนไม่ได้หลับเลยหลวงพ่ออนุญาตนอนได้นอนเลยน ะ, ะอันนั้นคือธรรมชาติของเขาเราต้องเคารนะุธรรมการเคารุบธรรมไม่ใช่ตั้งใจฟังอย่า ง, างไม่ละไม่ใช่เคารุบธรรมคือทําตามรธรรมชาติที่มันต้องการไม่ใช่ความต้องการของกิเลสแต่ความต้องการของธรรมชาติหิวให้กินง่วงให้งง่วให้้ใหใ ห, หลับแต่เป็นความง่วงของร่างกายก็คือง่วงของธรรมรูปเขาเป็นธรรมอย่าไปราทรมานเขาไม่ได้เป็นบาปนามเขาก็เป็นธรรม อย่าไปทรมานเขาแต่แต่เมื่อมันหลับด้วยกิเลส น, นั่นนะ่ะเราต้องแก้แต่นี่คนหนุ่มเด็กๆเนี่ยสามขวบห้าขวบสี่ขวบเขาลงกินกำลังนอนเพราะนั้นมีที่ไหนอีสามดีสี่ปู่เขาขึ้นมานั่งฟังธรรมอ่ะโอ้โหวิเศษมากๆเลยใช่ไหมถ้าอยู่บ้านขาเขารอไปไงเจ็ดโมงแปดโมงยังไม่ค่อยอยากตื่นเลยใช่เออสิบโมงบางทีคนสมัยเนี่ยเราตสามดีสี่ขึ้นมานั่ง ฟังธรรมเนะี่ยมันมีที่ไหนในโลกเนี่ยนอกจากที่นี่นะเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยของเราสิบขวบสิบสองขวบเนี่ยนั่งง่วงไม่เป็นไรถือว่าหลวงพ่อว่าใช้ได้เธอไม่ต้องอายหลวงพ่อหรอกนั่งหลับได้เลยแต่เมื่อกี้เราปลูกดูเผื่อว่าเกินสามครั้งถ้าสามครั้งหลวงพ่อไม่เตือนแล้วทีนี้นเธอหลับได้เลยนะเธอจะนอนตรงนั้นหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรละเพราะอันนั้นเธอได้ทําปฏิบัติธรรมแล้วคือเรียกวค า, ารพบธรรมคือคารุธรรมชาตนะิถ้าเธอปวดหนัก เธอจะมานั่งบิดนั่งเบี้ยวนั่งอดทนตรงนี้ไม่ได้เธอทําร้ายตัวเองไม่เคารพธรรมถ้เธอหิวเธอก็มานั่งบิดท้องคัดท้องแข็งอยู่ตรงนี้ไหมเธอต้องรีบไปดื่มน้ําทานข้าวให้มันหายหิวนั่นคือเคารพรูปธรรมเพราะรูปธรรมต้องทําหน้าที่ของเขาทีนี้เรานั่งเนี่ยเราปวดขาเราไม่ยอมเปลี่ยนเลยเธอก็เบียดเบียนตัวเองไม่เคารพธรรมอีกก็ต้องเปลี่ยนให้มันสบายให้เวทนามันเบาบาง ทีนี้คําถามเมื่กินหลวงพอถามว่าเมื่อนั่งเนี่ยมีความสุขบ้างไหมอย่าไม่ตอบหลวงพ่อเลยมีเมื่อไกันมีตอนไหนจําได้ไหมมีตอนที่เราเปลี่ยนท่าแวบเดียวถึงนาทีไหมความสุขตรงนั้นไม่ถึงนะไม่ถึงเห็นไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าเห็นว่าโอ้กันอยู่ข้างโลกอยู่เป็นชาวโลกนะ้มันมีความสุขน้อยมีความทุกข์มาก นะกินได้กินมีความสุขพออิ่มแล้วก็สุขก็หมดไปสุขการอิ่มหลังจากนกั้ทุกต่อไปอได้ฟังได้ดมกลิ่นริมรดสัมผัสได้เสฟได้สนุกสนานก็มีสุขนิดเดียวตากนั้นเป็นทุกอีกตลอดเพียงแต่มีลูกเป็นที่พึ่งสักคนน่เรายองเสียเวลาไปค่อนชีวิตหรือตลอดชีวิตมันคุ้มงนห คุ้มกันเลยทุกหลอดชีวิตแต่แถมลูกออกมาแล้วไม่ดีอย่างที่เราต้องการที่อีกเนะี้ยลูกไปติดยาลูกเกเรลูกเกิดอุบัติเหตุตายไปก่อนเราก็มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นความสุขทั้งโลกเนี่ยหรือที่พึ่งทั้งโลกหวังไม่ได้เลยดังนั้นความจริงที่เราจะต้องรู้กันวันนี้ก็คือว่าเมื่อเรามีความทุกข์เป็นพื้นฐานเราจะออกจากทุกข์นี้ได้อย่างไรนี่คือคําตอบที่เราต้องได้ทั้งเช้านี้ ความทุกข์ทางกายออกจากมันได้ไหมความทุกข์ทางกายออกได้ด้วยการบำบัดเท่านั้นแต่ไม่มีการกำจัดโดยสิ้นเชิงและเด็ดขาดเพราะความทุกข์นี้มันติดมากับรูปร่างกายนี้เป็นรูปเป็นสังขารที่ไหนมีรูปที่นั่นจะต้องมีสัจธรรมของมันสาประการคือคืออะไรบ้าง ยิงพอนั่งนานพ่อก็ปวดแต่พ่อพนันก็ยืนขออนุ ญ, ญาตยืนว่าง น, นะคืออะไรบ้างเวลารูปที่ไหนก็ตามมันจะมีธรรมชาติของมันสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วนําไปสู่ความสุขหรือความทุกข์นำไปสู่ความไม่สบายเธอนั่งเนี่ย ทำไมมันไม่สุขตลอดอ่ะทำไมมันจึงกลายเป็นทุกข์อ่ะเพราะมันเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงเรานั่งอยู่ตรงนี้ร่างกายในร่างกายของเรามันหยุดอยู่เฉยๆไหมไม่เฉยๆ ม, มีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา blood circulation air c i r c u การหมุนเวียนของเลือดลมหมุนอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไอการที่เรานั่งตรงนี้เราไปทับเส้นทางของใครของเลือดลม เมื่อไปทับเส้นทางเขาเป็นธรรมธรรมชาติเขาคือต้องหมุนใช่ไหมแต่เมื่อเราไปทับเส้นทางเขาถ้าเป็นถ้าเป็นบริษัทรถไปทับเส้นทางกันไปไงได้ยิงกันตายอ่ะใช่ไหมอันนี้เรามาทับเส้นทางเลือดลมมันไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่เราขยับให้เขาผ่านนิดนหน่อยเขาได้ผ่านพอธรรมะได้ทาทํางานตามธรรมชาติของเขาความสบายก็เกิดขึ้น นีอลงตาข อ, อน้ำชาแก้วเพราะไมตัวนี้มีนี่แรงสูงมากดูดเสียงขอแหงเพราะฉะนั้นเองนะถ้าเรามีความทุกข์นะถ้าเรามีความทุกข์ในอิเดียบทคือกายเนี่ยมันเป็นรูปมันจะต้องหมุนตามอนิจจังทุกขังตลอดเวลาจะถามว่าเรามีกายเรามีรูปแล้ว ถ้าอานิจังทุกขังนัตตาไม่ปฏิบัติงานไม่ทําหน้าที่ของเขาถามว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนั่นหมายความว่าเราจะต้องทุกข์จนตายในแง่ของร่างกายพุทธถามว่าพุทธเจ้าทุกข์ไหมร่างกายเนี่ยทุกข์พระรหันทุกข์ไหมทุกข์เอาไหนบอกว่าพ้นทุกข์อ่ะใช่ไหมสิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้คือพ้นทุกข์ทางนาม แต่นามนั้นต้องไม่มีรูปอยู่นะถ้านามนั้นมีรูปอยู่เรียกเรียกว่าอะไรนามวารูปถ้ารูปนี้มีน้ำอยู่ก็เรียกว่ารูปนามนี่ฮถ้าเมื่อวาหนหลวงพ่อผ่านนักปฏิบัติคนหนึ่งหลวงพ่อหยิบหินมาหรือหยิบใบไม้มาหนึ่งถามว่า น, นี่อะไรใบไม้แล้วของจริงมันคืออะไร คือรูปมันคือรูปแล้วตัวเธอเป็นอะไรอ่าเป็นรูปเป็นรูปอย่างเดียวไม่ได้ตัวเธอเธอว่ารู้ว่าใบไม้นี่เป็นรูปเธอรู้ว่าใบไม้เป็นรูปใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้รู้รูปมันรู้ไหมนามมันรู้เพราะฉะนั้นเธอเป็นรูปนามแต่ใบไม้นี่เป็นรูปโดยประการเดียวน่น ในตัวเราเป็นรูปกับนามนั่นะมีสองอย่างตัวรูปด้วยตัวนามด้วยแต่ทีนี้เราจะทําไงให้รูปกับนามไม่เบียดเบียนกันให้รูปกับนามไม่เบียดเบียนกันไม่ทําร้ายกันแต่ให้มาอยู่ด้วยกันแต่นามปกติแล้วเนี่ยนามเป็นเจ้าของบ้านรูปเป็นบ้านรูปเป็นเสมือนเรือนนามคือความรู้ตัวคือจิตวิญญาณเนี่ย เป็นเจ้าของบ้านแต่วันวันหนึ่งเนี้ยมันอยู่ด้วยกันตลอดไหมอย่างร้อยเอร์เซนน่ะเขาถามหลวงพ่อหลวงว่าจะอยู่อายุยันท่าไรบอกสองร้อยสองร้อยปีโอ้อยู่ขนาดนั้นเลยแต่ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่นานกันหรพระพุทธเจ้าก็อยู่สองร้อยเหมือนกันแต่ท่านไม่ใช่เขาว่าสองรอยปีเหมือนหลวงพ่อท่านบอกเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากปลงผมแล้วผมท่านไม่งอกขึ้นอีกเลยเหลือแค่เกี่ยงโคลี สององคร์รีใช่ไหมผมบุทธิยาไม่ยาวอีกต่อไปเธอเชื่อไหมในแง่ของรูปเธอเชื่อไม่ได้เพราะมันผิดอะไรผิดธรรมชาติผมโปร่งแล้วมันก็ต้อ ง, งอกใช่ไหมแต่นี้โปร่งแล้วมันไม่งอกเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่แล้วแต่และวพระพุทธเจ้าท่านเป็นได้ที่เพราะว่าท่านเป็นผู้วิเศษมีบุญญามีบุญุญาพิธิหารมีบุญญาที่การเยอะแยะท่านนั้นกลัวแล้ ว, ลวอาจจะไม่งอกจริงเนะี่ยอันนี้เขาเรียกเราไปให้ราคาศาสนาของเรา ว่าเป็นผู้มีปฏิหารไม่ใช่พุทธเจ้ า, าท่าไม่สอนแบบนั้นท่านบอกว่าเหลือสององค์คุรีหลังจากท่านใช้ดาบคือปัญญาตัดแยกรูปกับนามบอกแล้วเนี่ยมันไม่เคยเบียดเบียนกันเลยมันก็จะเหลือแค่สองคือรูปกับนามสองสองค์คุรีอันนี้รูปองค์คุรีหนึ่งนามองค์คุรีหนึ่งทุกไม่เข้ามาอีกเลยเพราะท่านแยกตัวนี้ออกนะเพราะนั้นตราบใดเนี่ย เอาแล้วกลับมาที่เมล็ดพืชของเธอหน่อยตับใดที่เมล็ดพืชตรงนี้ยังไม่กระทบเปลือกออกเนี่ยเราเอาไปปลูกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งถ้ามันไม่รีบนะแต่ถ้าเรากระทบเปลือกออกเสียเนี่ยเมล็ดพืชตัวนั้นจะงอกอีกไหมบางอย่างมันงอกนะใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เก้าสิบปอร์เซ็นก็เลยกันมันงอกหรือไม่งอกมันไม่งอกอ่าอันนี้ธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมนะกาย คือรูปนี้เปลือบเสมือนที่ในส่วนที่เป็นเปลือกรูปเป็นเปลือกน้าเป็นในเป็นเนื้อเมื่อกระทบรูปกับน้ำบ อ, อกจากกันเหมือนกับว่ามเมล็ดพืช น, นั้นถูกกระทบเปลือกแล้วมันจะไม่งอกอีกต่อไปตราบใดที่รูปกับน้ำยังติดกันอยู่มันสมบูรณ์อยู่มันก็ต้องงอกต่อไปที่ถามว่า พวกเราให้รูปกับน้ำอยู่ด้วยกันโดยไ ม, ม่แยกจากกันให้ชัดชัดเจนเนี่ยเราต้องเกิดไปเรื่อยๆเกิดอะไรเกิดความอยากเกิดตัณหาอวิชชาในส่วนที่เป็นรูปนะที่มันต้องเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะว่ามันมียางเหนียวคือความอยากนะมันมียางเหนียวคือความอยากเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเรื่องเยอะยึกลึกไปกลับมาตรงนี้ว่า ในเมื่อเรานั่งแล้วเป็นทุกข์ต้องขยับปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการที่ปรับเปลี่ยนอยู่มันทุกข์อยู่เหมือ น, น, อนจะเป็นความร้อนใช่ไหมเราจะแปลงความร้อนตัวนี้เป็นแสงสว่างได้ไหมถ้าหากว่าเรายังไม่เคยฝึกฝนปฏิบัติไม่เคยรับทราบเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยทุกครั้งเวลาเรารู้สึกไม่สบายเราก็เปลี่ยนทันทีถามว่ารู้สึกตัวในการเปลี่ยนไหมไม่รู้สึก เดี๋ว่าร้อยทั้งร้อยเลยพันทั้งพันก็ไม่รู้สึกเพราะเปลี่ยนไปตามอำนาจของสันชาติญาณพราะสติมีสองระดับหนึ่งสติระดับสันชาติญาณทุกสัตว์ทุกคนทุกตัวตนมันมี 2. สติระดับปัญญายาณอันนี้ภาษาวิชาการนะแต่ถ้าหาภาษาของเราคือความรู้สึกมีสองอย่างหนึ่งความรู้สึกที่เป็นไปตามธรรมชาติหรือสันชาติญาณ สองความรู้สึกที่ตั้งใจรู้เป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นธรรมคือเป็นวิปัสนาญาณตัววิปัสนาญาณ น, นี่เองเป็นแสงสว่างแต่ความปวดความทุกข์ขณะนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆตามกติกาตามกฎของรูปอย่าลืมว่ารูปมันต้องเป็นไปตามกฎเพรามันคืออะไรอย่าลืมสิ อันนี้จังทุขังมีรูปที่ไหนไอ้สามตัวเนี่ยต้องตามติดที่นั่นแต่ถ้ารูปนี้ตามไปปรากฏในจิตมันก็ตามไปที่จิตสมมติเอาทุกคนในขณะ น, นี้นึกถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงที่บ้านรูปอะไรปรากฏในใจเราคิดคิดถึงบ้านรูปอะไรปรากฏในในใจรูปบ้านบ้านข้างหลังอยู่ในใจเราไหมมันอยู่ในใจเราแต่มันมาในนามของ Men ทอลพิกเจอรคือในานามของภาพในจิตเป็นรูปไหมเราไม่เรียกว่ารูปนามแต่เราเรียกมันว่านามมารูปวันนี้เธอได้เรียนคําที่สองละนามมารูปคือภาพที่ปรากฏในใจรูปนามคือความรู้สึกที่ปรากฏทางกายเรียกว่ารูปนามทีนี้เวลาเราจะบําบัดทุกข์ทางกายเนี่ยการบําบัดทุกข์ทางกายเพราะอะไร ถึงเรียกว่าบัตนเพราะความทุกข์ทุกเป็นของร้อนหรือของเย็นเป็นของร้อนรูปปังอาทิตตังรูปเป็นของร้อนจักขุงอาทิตตังตาเป็นของร้อนในอาทิตยปริยสูตรเมื่อรูปนี่มันร้อนเราจะหนีความร้อนพ้นไหมเวลาเราติดไฟหุงข้าวเนี่ยไฟร้อนหรือเย็นไฟหุงข้าวเราเนี่ย ร้อเหมือนกันโ้ไฟในบ้านในเรือนี่มันร้อนอย่าให้มันเข้ามาเลยมันร้อนตัดไฟทุกส่วนไม่ว่าไฟแก๊สไม่ว่าไฟฟ้าไม่ว่าไฟฟืนไม่ให้เข้าบ้านเลยเนี่ยเธออยู่อยู่ได้ไหมเอามันร้อนอะ่ะเอาไว้ทาไมอ่ะเอาเข้ามาทาไมมันร้อนอะ่ะใช่ไหมแต่ว่าเราก็ทิ้งร้อนไม่ได้แต่การที่จะให้ความร้อนนั้นเป็นประโยชน์กับเรา เราจะต้องมีอะไรมีความรู้ใช่ไหมน่ะรู้ว่าทุกต้องดับหรือทุกต้องหนีทุกต้องหลบทุกต้องลิกหรือทุกต้องกาหนดรู้ตามที่พระศาสดาสอนเราทุกต้องกํำหนดรู้ต้องศึกษาต้องเข้าใจในทุกทุกทำไมให้ดับนะแต่ภาษาพูดของเราดับทุกใช่ไหมแล้วเราดับทุกเปเหมือนกับไม่ ดับไฟในบ้านทั้งหมดแล้วแล้วเธอจะไปที่ไหนถูกกว่าคืนน่ะใช่ไหมอ่ะทุกต้องศึกษาใช้มันไฟที่เข้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต้องศึกษาใช้มันทํำยังไงไม่ให้มันช็อตทำยังไงไม่ให้มันไหม้บ้านทำยังไงไม่ให้มันดูดเราเนี่ยต้องศึกษาใช้มันใช่ไหมแต่พูดเรื่องนี้ขอไว้ออกนอกเรื่องนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพ เมื่อวานนี่นะหลวงพ่อเข้าไปในห้องเจ้าปุ๋ดีห้องนั้นที่หลวงตาทำไม่ให้เนี่ยมันไม่มีไฟหลวงพ่อก็ด้วยความเคยชินมาพักหลายครั้งก็หาไฟเอาหาไปห้อมาเอามันมีการถ u n ร้อนแสดงว่ามีไฟนะเอาแล้วไปหาหลอดที่ไหนไม่เจอเออแล้วไปกดไอสวิตช์ปอไอปลัก๊กพ่วงอะนะเอาขึ้นแล้วก็หาหลอดอ้อหลอดอยู่ข้างบนก็เปิดหลอดแล้วก็เดินออกไปนอกสักพักได้ยินเปรียย เอ๊ะ hey, อะไรจะเข้ามาเมื่อใกลไไ้ไอกาน้ำร้อนน่ะนะอูซื้อของใหม่ไม่รู้เป็นพันหรือเปล่านะของใหม่อา้ามันร้อนทำไมมันน้ำมันร้อนไวจังเอาไปเปิดดูเพ่มีน้ำอ่าเรียบร้อยไปแล้วหลวงตากาด้วยความปรารถนาดีแต่ว่าไม่รู้เรื่องนะก็คือท่านเสียบปลัก๊กอะไรว่าเรียบร้อยแต่ไม่ได้ใส่น้ำแจ้งหลวงตาว่ากติกน้าร้อนนะั้นเรียบร้อยไปแล้วนะ เป็นรู้ถึงพันบาทหรือเปล่าเนะี่ยจะเป็นความผิดของเราหรือไมนะ่น้อว่าจะต้องซื้อใช้ลงตาหรือเปล่านะี่เรียกเป็นความปรารถนาดีของใครคนหนึ่งไม่อยากให้ทําอะไรแต่ลืมใส่น้ําช็อตไปเรียบร้อยเลยนี่เห็นไหมเพราะเป็นความผิดของใครจะว่าเป็นความผิดของหลวงพ่อใช่ไหมนี่ไม่น่าจะใช่นะเพราะเราไม่มีเจตนาจะให้มันไหมเป็นความผิดของผู้ปรารถนาดีก็แล้วกันนะ พอไปทําระบบออโต้ว่าเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันไม่ครบวงจรวงจรตองมันจะต้องมีน้ํากับไฟต้องอยู่ด้วยกันถ้าน้ํากับไฟไม่อยู่ด้วยกันเกิดเรื่องเหมือนการลูกกับน้ำไม่อยู่ด้วยกันเกิดเรื่องวันวันหนึ่งเนี่ยจริงอยู่นะั้นเรามีความรู้สึกตัวเราก็รู้สึกหนักเ่อเรารู้สึกตัวเราก็รู้สึกที่เป็นสัญชตาตญาณไม่ใช่รู้สึกที่เป็นปัญญาญาณ คือหมายารู้สึกสัญชาตญาณถ้าสมมุติว่ารูปร0 0นามร้อยเรนี่ยรู้ไหมว่าตลอดเวลาเนี่ยนามคือความรู้สึกตัวเนี่ยอยู่กับเรากี่เปอร์เซ็นถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกมาก่อนเนี่ยร้อยหนึ่งมาอยู่กับเรากี่เปอร์เซ็นร์รู้อยู่นะทาอะไรแต่ว่าใจอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่นี่เมื่อไหรนะ่เนาะหลวงตาใจเลิกฉันอยากจะ ก, กลับบ้านทีแล้วก็ไปไม่รู้ฉันมาเท่าไหร่แล้วกทไหมทนอยู่ที่บ้านฉันสบายกว่านี้ยเยอะแยะ ฉันจะได้อะไรเนี่ยแต่บางคนก็คิดเลยใช่ไหมลักษณะคิดออกอย่างนี้ลืมตัวหรือยังลืมแล้วใจไปทางอื่นแล้วนะโอ้อยู่ที่นี่นอนก็ยากนะนอนรวมกันในห้องรวมกันไอ้คนอ้วนๆมันก็โกรนจริงกวนจังเบกิบกบากเบกิกบากไอ้เราก็หลับยากเสียด้วยก็จะนอนหลับได้แล้วตอนกลางวันมันง่วงแต่ตอนคืนนอนไม่หลับมีไหมต้องมีแนะ น, น่นอนนอนรวมกันในห้องนะ เพราะว่าในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้แยกกันนอนเพราะจะนอนรวมกันในคนที่คกนก็คนลเจ๊จริงโดยเฉพาะที่หลวงพ่อโกดังนะไปนอนที่ไหนแล้วเขาไม่อยากจะนอนร่วมด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้อีกละความทุกข์มันก็เกิดละเพราะอะไรตอนกลางวันลูป ก, กับน้ำไม่ได้อยู่ด้วยกันกลางคืนก็เรียกว่ากลาคืนฝันกลางวันคิดละไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นมาที่นี่เราต้องการเอารูป ก, กับนาำมาอยู่ด้วยกันเอาน้ํากับไฟมาอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลแล้วจะเกิดประโยชน์ นะรูปร้เปร์เซ็นต์นามร0อยแต่ในชีวิตจริงของเรารูปมันอยู่ร0 0แต่นามมันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสมมุติว่านามหรือความรู้สึกตัวไม่อยู่กับเราถึง 20% หรือ 25% ขึ้นไปนะทุกทั้งนั้นเลยใจเราจะรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเท่านั้นนะทั้นนั้นเองเรามาที่นี่เรามาเจริญความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวอยู่กับเราแค่ 25% ก็พอใจแล้ว แต่ทุกวัน ท, ที่ผ่านมาที่เรามีทุกเนี่ยเรามีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ใจของเรานะ่แต่นอกนั้นมันไปอยู่ที่ไหนวันนี้จะไปไหนวันนี้จะกินอะไรวันนี้จะทำอะไรแผ น, เ ข, น, เ, นเข้าไปอยู่ในความคิดหมดเข้าไปอยู่ในความคิดหมดนั้นหมายความว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับตัวเราร้อเปอน้อยู่เหมือนกันแค่5้าเปอร์เซ็นต์สิบอร์เซ็นต์อยู่ด้วยสัญชตาตญาณเพราะฉะนั้นเรากับ สัตว์ไม่ได้ต่างกันในแง่สติสัญชัยญาณเคยเห็นสุนัขมานอนกับพี่เป็นวันวันไหมเคยเห็นแมวมานอนกับพี่เป็นวันวันไหมเคยเห็นไหมไม่มันก็เปลี่ยนที่ตลอดเหมือนกันทําไมมันเปลี่ยนน่ะมันก็ทุกอย่างเรานี่แหละใช่ไหมมันก็มือเมื่อยมันก็เหนื่อยอย่างเรานี่แหละมันก็เปลี่ยนมันก็มีสติในการเปลี่ยนเหมือนกันเวลายุงจะมาเกาะเราเราจะตบมันน่ะอยู่มันให้เราตบอย่างสบายไหมวันวันมาเกาะเราเนี่ยเราจะตบมันเนี่ยมันมัน ก่อให้เราตบมมันเป็นไงมันก็บินหนีมันก็มีสติเหมือนกันน่ะสติในการเอาโดูรอดอใช่หมเพราะนั้นคนกัตสัตว์มีความรู้สึกตัวที่เป็นสัญญาณเหมือนกันอยู่4อย่างหนึ่งเกิดมาแล้วต้องการอะไรอาหารสองเมื่อได้อาหารแล้วต้องการรวงรังรูบ้านช่องตึกกระท่อมเป็นที่อยู่อาศัยสาม เวลามีภัยเกิดขึ้นเป็นไงก็ต้องหนีใช่ไหมไม่ว่าคนไดสัตว์สเมื่อถึงรูปการมามันอยากจะสืบพันธุ์เพื่อเผ่าพันของมันมันเป็นมันอยากจะให้มีเผ่าพันธุ์มันต่อไปหรือโดยธรรมชาติบังคับมันธรรมชาติบังคับมันอันนี้คือหน้าที่ของรูปมันต้องทําหน้าที่อย่างนั้นตราบใดที่ยังมีรูปอยู่ในใจนะไอ้สัญชาตญาณทั้งสอย่างเนี่ยมันก็ยังตามติดติดอยู่ แต่เมื่อไรถ้าแยกรูปจากนามา ก, กันได้สัญชาติยานสี่อย่างนี้แย่ตามเราไม่ทันนะที่ตามเราไม่ทันเพราะอะไรเราเปลี่ยนสติที่เป็นสัญชาติยานทั้งสี่เนี่ยมาเป็นปัศนวิปัสนาญาณหรือปัญญายาณอันนี้สับทางเทคนิคนะทีนี้ไอ้ปัญญายานนี่จะเกิดขึ้นอย่างไรจะแก้ไขสัญชาติยานอย่างไรทุกครั้งเมื่อเราบำบัดทุกตรงนั้นสามารถ สร้างปัญญายาณขึ้นมาได้เลยเช่นเวลานั่งที่นี่นานหลวงพ่อก็รูกขึ้นแล้วก็รู้สึกตัวในขณะเดียวกันได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างประโยชน์ทั้งรูปคือตรงนี้บําบัดสบายแล้วใช่ไหมไม่หนักแล้วไม่รบกวนแล้วแล้วก็ปัญญายาณเกิดขึ้นเพราะลูกขึ้นอย่างรู้สึกตัวได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างประโยชน์ทั้งรูปก็ได้ประโยชน์ทั้งนามก็ได้ได้ร้อปร์เซ็นต์หรือยังแต่สมมุติว่าหลวงพ่อนั่งไปนาน รู้สึกไม่สบายลุกขึ้นปั๊บเนี่ยได้ไประโยชน์ทางไหนไประโยชน์ทางรูปคือความไม่สบายนั้นหายไปแต่ว่าประโยชน์ทางน้ำได้ไหมไม่ได้เพราะลุกแล้วไม่ได้รู้สึกตัวในการลุกเอาถ้าจะนั่งก็นั่งปั๊บลงไปเลยแต่ถ้าจะนั่งรู้สึกตัวแล้วก็นั่งลงไปอ่าได้ละนี่คือ สององคุลีของพุทธเจ้าเข้าใจไหมแต่ว่าให้ตัดให้เหลือสององคุลีนี่ต้องตัดไม่ใช่ดาบธรรมดานะต้องเป็นดาบสลีกันชัยเห็นว่าตาภาษานะเป็นดาบวิเศษดาบกยญสิทธิ์ดาบกยญสิทธิ์นี่คือเมื่อตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยรวมกันมากเข้ามากเข้ามาก เ, เข้าแล้วมันก็จะกลายเป็น สติเนี่ยรู้สึกลึกได้ก่อนก่อนลุกเมื่อขณะลุกอย่างรู้สึกตัวมันกลายเป็นอะไรสามพัชญะแล้วก็ยืนอย่างปลอดภัยสบายเป็นปัญญาเห็นไหมไอ้ตัวสติสมาธิปัญญาเกิดตลอดเวลาเมื่อสามตัวรวมกันเข้าเรียกว่าวิปัสนาญาณและตัววิปัสนาญาณ น, นี่เองจะไปทำให้ ตัวรูปกับนามเริ่มแยกกันเห็นชัดคำว่าแยกกันไม่ใช่อยู่คนละสุดอยู่ด้วยกันน่ะเอางี้หลวงพ่อถามคำหนึ่งสมัยเธอพวกเราทั้งหลายไปกินมะขามที่มันเล็กๆอยู่เนี่ยกินมะขามหนุ่มๆเนี่ยเปลือกกับเนื้อมันเป็นยังไงติดกันเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมพอแกมาเป็นยังไงมันแยกกันอันนั้นแยกกันโดยธรรมชาติ ใช่ไหมรูปกับนามก็สมัยที่สติปัญญาเราไม่แก่มันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอันเดียวกันมาเลามาที่นี่มาพัฒนาสติปัญญาพัฒนาความรู้สึกตัวให้มันแก่กล้าเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นรูปกับนามมันแยกกันเหมือนกับเนื้อมะขามกับเปลือกมะขามแต่เนื้อมะขามกับเปลือกมะขามก็พัฒนาคนณลักษณ์ได้มันใช้เวลากี่เดือนเป็นเดือนสองเดือนสเดือนใช่ไหม แต่รูปกับนามพองเราจะแยกกันณนะตรงนีนะ้มันใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะสงไขยเหมือนกันนับไม่ทัน oh. พอเปลี่ยนป้ามันก็รู้สึกปักทันทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นมิติของรูปกับนามมันคนละมิติกันเลยฟอร์มด m เมนชันกับเมนท์โทดิเมนชันคือคนละมิติกันมิติทางรูปต้องอาศัยการเวลามิติทางนามอยู่เหนือการเวลานี่คือเราจึงอยู่เหนือทุกได้ แต่ความไม่ความทุกข์ทางกายเราอยู่เหนือมันไม่ได้เพราะมันเป็นวิบากกรรมที่พ่อแม่ทําให้เราเกิดมาแต่ความจริงพ่อแม่ก็มีเจตนาให้เราเกิดแล้วเพราะท่านเป็นทุกข์อยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์ใช่ไหมก็ต้องไปบวกอีกทุกข์หนึ่งเพราะว่าคิดว่ามันจะทุกข์มันจะลดลงพอไปบวกกันจริงๆแล้วเนี่ยมันทุกข์ลดไหมไม่ลดนั้นเวลาเขาไปอยู่ด้วยกันเคอร์จึงแห่ขันอะไรขันมา เดบุรารขอซ่อนไว้นิดหนึ่งเขาบอกว่าแหขันมากเนีลยมันจะตกใหญ่เออแห่ขันมาคนเราแต่ละคนมีขันกี่ขันห้าขันพอเป็นบวกอีกขันหนึ่งเป็นหกขันอะไรหกขันคนละห้าขันแลบวกกันแล้วเป็นหกได้ไงเออคนละหขันบวกกันแล้วมันก็จะเป็นสี่ขันอ้าวไม่นานอหนูน้อยเข้ามาอีกห้าขันต่อแรกแล้วแบกแต่ขวดเดียวใช่ไหมอ่า แต่ของเราแค่ห้าขวดใช่ไหมอ๋อพอเราแบกนี่วมันรู้สึกว่ามันหนักไปหาอีกขันหนึ่งมันอาจจะเบากว่านี้ใช่ไหมพอไปได้อีกห้าขันเป็นไงจากห้าขวดก็เป็นสิบขวดอ่าอยู่กันไม่ ก, กี่ปีกี่เดือนได้อีกห้าขันเป็นสิบห้าขวดจึงเรียกว่าขันมาก <c oughs> แต่กลัวไอ้หนุ่มกับไอ้สาวไม่จะตกใจ <c oughs> แล้วบอกขันมากเอาเงินใส่เข้าไปเรียบร้อยเลยนะฮะ เข้าใจไหมว่าทาไมถึงใช้คำว่าขันหมากแห่ขันหมากก็คือแห่ขันมากนั่นเองอ่ะขันห้าขันใช่ไหมไปบวกอีก10ขันถ้าลูกมีลูกสิบคนอ่ะโบราณเขามีลูกสิบกว่าคนนะสิบคนคนละห้าขันเป็นเท่าไหร่ห้าสิบขันเธอรู้หรว่าไอ้แบกน้ำห้าสิขวดนมันสนุกไหมแบกตลอดเวลานะถ้าเราแบกนี่เดี๋ยวเดียวเราก็วางใช่ไหมแต่ถ้าแบกขันแบกรูปแบกน้ำแบกรูปแบกผัวแบกเมียเนี่ยแบกพ่อแบกแม่ถ้ามีลูกห้าคนไม่ใช่หคนเท่านั้นนะญาติอีกเท่าไหร่ ญาติทางผัวเท่าไหร่ญาติทางเมียเท่าไหร่ญาติทางพี่เท่าไหร่ญาติทางน้องเท่าไหร่ต้องดูแลรับผิดชอบหมดใช่ไหมมันจะไม่เป็นขันมากได้ยังไงแล้วมันจะไม่หนักได้ยังไงหูพ่อรู้อย่างนี้หลพ่อไม่กล้าแต่งงานเลยนะหลวพ่อเลิกแต่งงานเลยนะแต่งแต่งกะธรรมากดีกว่านะเพราะอะไรเพราะมันหนักไอ้แบกขันของเร็วก็พลิกไปพลิกม า, มามานั่งนี่พลิกไปลูกี่สิครั้งแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่หมดทุก็มันทุกขนาดไหนอเออแล้วไปช่วยคนอื่นพลิกกี่แใช่ไหม นี่คือความจริงที่เราต้องรู้ก่อนดังนั้นเราจะเห็นรูปกับนามชัดๆได้อย่างไรถ้าเรามางานนี้นะแต่พวกเราวัยมากแค่ไม่กี่วันนะพวกเรารู้จักรูปน้ำแล้วรู้จักว่าเอออันนี้น <c oughs> เอ้ถ้าหากว่าเรารู้จักรูปเนี่ยรูปรู้แบบไหนมันถึงจะถูกรู้ว่าฉันเนี่ยเป็น เป็นรูปฉันในนายกรนายขอฉันมาจากบ้านนั้นมานี้ฉันชื่อนั้นชื่อนี้ฉันเดียนอันนั้นอันนี้ฉันทำงานอนันนั้นอันนี้รู้แบบนี้ชื่อว่ารู้รู้รูปหรือยังรู้รูปแบบนี้ถูกต้องไหมความรู้ในตัวเรามันมีสองอย่างรู้ในส่วนที่เป็นรูปเขาเรียกว่าสมมติสัจอยรู้ในส่วนที่เป็นนามเขาเรียกว่าปรมาทสัจอย สมมุติว่ารูปของโยมเนี่ยชื่อในนั้นนางนี้เป็นสมมุติสัจจะจริงนะสมมุติว่านายคำเนี่ยยจะไปเรียกว่านายแก้วนี่ไม่ได้นะเป็นเรื่องเลยแหละใช่ไหมนายคําก็บอกว่าให้คําแล้วเป็นเรื่องนายแก้วนี่มันผิดสมมุติผีดสัจจะเป็นเรื่องเลยนะแต่ว่าไปค้นหานายคำนายแก้วในตัวนี้อยู่ที่ไหนนายคำมันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงหูหรือเปล่าจับตรงนี้ตรงนี้ในคําำไหมไม่ใช่เป็นอะไร เป็นหูไปจับตรงนี้อันอันนี้ผมไม่ค่อยมีนะจับตรงนี้ก็เลยอันนี้ในคํำไหมไม่ใช่ผ้าสังคาติจับตรงไหนไม่ใช่ในคําเท่านั้นเลยเอาในคําอยู่ตรงไหนอ่ะทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าในคํามื่อไงนี่เขาเรียกว่าสมมุติแล้กวก็เป็นรูปหลายๆรวมกันเรียกว่าท่าสี่สหรืออาการสามที่สองมารวมกันเรียกว่าสมมุติที่มันเยอะอ่ะเวลามาปฏิบัติอันนั้นก็มันก็คิดยิ่งมีสมมุติเด้อ สมมติเหมือนใบไม้ในป่าปรมัดเหมือนใบไม้ในกำมือเราต้องการมาเรียนใบไม้ในกำมือเท่านั้นเพราะใบไม้ที่เราทุกๆวันเนี่ยเพราะใบไม้ในป่าใบไม้ในป่าหน้าแรงมาเป็นไงมีปัญหาน่ใช่ไหมเพราะไฟเข้าบ้านเราไฟไหม้เฉยเลยเพราะมันอาศัยเชื้อนั่นแหละมาไหม้เราอะใช่ไหมในอเมริกาในออสเตรเลียทุกปีไฟไหม้หมู่ลานเนี่ยเพราะใบไม้ในป่ามันไหม้เราเพราะฉนั้นเราก็มันกันเรื่องสมมุติมันเยอะ ไฟไหม้เราทุกวันก็นเพราะสมมติที่แหล่ใช่ไหมกูอย่างนั้นคุณอย่างนี้สมมุติตรงนี้เราเรียกว่าอัตตารู้จักอัตตาไหมอันนี้ไม่ต้องไปรู้นะหลวงพ่อแย่ yeah, ให้รู้แหล่ให้ไปว่ามันมาจากตรงนั้นเฉยนั่นเป็นเรื่องลึกไปแต่ตื่นตื่นนะตรงนี้คือว่าในความจริงสองอย่างคือตัวกายเนี่ยอะไรก็ตามออกมาจากกายหรือว่าสมมุติที่สัจจาแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวสมมุติที่นี้ตามไปถึงใจนะทุกข์ก็ตามไปถึงใจ เพราะนั้นไปถึงเรื่องใจเนี่ยเอาสมมุติออกให้มันเหลือแต่ปรมัติ์ปรมัติ์คืออะไรนะบางคนไม่คุ้นศัพท์ใช่ไหมนะเขาเรียกว่า conventional truth กับ ultimate truth คือสมมติอิสจะกับปรมัติพั์สองอย่างเนี่ยเรามาที่นี่เราต้องการเอาปรมัติ์มาใช้อย่างสมมติเธอนั่งเนี่ยปวดขาความรู้สึกปวดขาเป็นสมมติหรือเป็นปรมัทิ์เป็นเอาอยาี้ว่าเป็นรูปหรือเป็นนาม ตรงนี้สอบแล้วนะเริ่มสอบแล้วขนาดนั่งเนี่ยมันปวดขาเป็นรูปหรือเป็นน้ำ<ด> น, นั่นเห็นไหมถึงพ่อบอกว่ามันต้องสอบกันขนาดนั้นแล้วล่ะชักไม่แน่ใจบางคนเป็นรูปบางคนเป็นนามความทุกข์ที่เกิดมันเกิดกับรูปหรือเกิดกับนามเพราะฉะนั้นความทุกข์ต้องเป็นอะไรด้วยต้องเป็นรูปด้วยอย่าลืมตัวต่อเข้ามันเรารู้ว่าเรามีขาเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเรามีขาเพราะอะไร รูปมันบอกเราไหมว่ามันคือขามันบอกเราไหมไม่บอกแต่อะไรบอกเราว่ามันมีรูปเป็นเป็นรูปเพราะเราปวดขาเราจึงรู้ว่าเรามีขาถ้าขามีแล้วเราไม่ปวดเลยเนี่ยเหมือ น, นเราไม่มีขาเออแปลกนะคนตายเขาลูกเขาเขาร้อนไม่เวลาถูกเผานะ่ะไม่รู้เพราะเขาไม่มีนามที่จะมารู้ว่าเขามีตัวเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นการรู้จัก ว่าเรามีรูปคือรู้จักอาการในอาการสามสองเนี่ยเขาไม่รู้ว่านี่ผมขนเล็บฟันหนังเพราะฉะนั้นการเรียนที่เร อ, อย่าง เ, าเรอย่างเาเรียนโดยพยัญชนะการเรียนโดยพยัญชนะเนี่ยมันจำเป็นแต่ว่าไม่รู้เรื่อง สมมติว่าเขาพยาามใช้ ด, ดัด้งกไข่มาถึงเคอมมอเรียงกันถามว่าอ่านว่าอย่างไรเนี่ยแล้าอ่านไม่ออกก็คือกอไข่ถึงขอรุ่งเองใช่ไหมแต่อ่านว่าถ้าจะอ่านอีทีนี้ต้องทงํงาไงอ่าเราเอามาผสมว่ากอไก่บบใบไม้อา่า น, ออานว่ากบแน่พออ่านว่ากบปั๊บมันก็อิมเมจสร้างอะไรขึ้นมาสร้างตัวกบขึ้นมาไอ้สร้างตัวคุณมาทั้งกอไก่กับใบไม้ผสมกับกบไอสอิมเมจขึ้นมาเป็นกบมันก็เรียกว่าสมมุติ แต่กอไก่กบใบไม้มันเป็นรูปน้ำแต่ถ้าหากว่ามันแยกกันกอไก่อยู่ที่หนึ่งใบไม้ยอย่นี้ขเขาเรียกว่ารูปแต่มาผสมกับเมื่อล็ดมันกลายเป็นน้ำเพราอ่านว่ากบเรียกว่าชื่อไงแต่ทีนี้พอมาไอปรมตตรงนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเวลารเรานั่งเรารู้สึกปวดขาหนักก้นเนี่ยมันเป็นรูปเพราะทุกทางรูปก็เลยเป็นรูปแล้วก็รูปน้ำแต่ทุกเกิดจากนามได้ไหม เขาเกิดจากนามไม่ได้เพราะนามไม่มีอะไรไม่มีรูปแต่ทุกต้องเกิดกับนามมารูปแต่นามล้วนๆทุกเกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวบวกเพราะที่ไหนมีรูปที่นั่นมีทุกที่ไหนไม่มีรูปที่นั่นหมดทุกถ้ามีความรู้สึกอย่างเดียวไม่มีรูปเข้าไปเลยทุกมีไหมไม่มีคําว่าตัวรู้เนี่อรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความรู้สึกตัวไม่ใช่ถุกไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เพราะมันไม่มีรูปอยู่ในนั้น ความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตัวสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นนามทั้งหมดนะถ้าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นนา ม, มารูปเพราะในโลกโกรธหลงมันต้องอาศัยวัตถุกเกิดใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีโลกโกรธหลงเนี่ยเออถ้าไม่ถ้ามีนามอยู่ล้วนๆในโลกโกรธหลงเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีรูปอยู่ในนั้นเมื่อไหร่เรารู้สึกโลกโกรธหลงเมื่อไหร่นั้นนา ม, มารูปเกิดขึ้นแล้วคือความคิดเกิดขึ้นแล้ว เพราะนั้นเราต้องการให้จิตของเราอยู่กับนามล้วนๆอยู่ถึงความรู้สึกตัวล้วนๆเพื่อที่จะไม่ให้มันทุกข์แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะไม่ให้คิดอะไรเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้ในชีวิตจริงของเราเดี๋ยต้องแพลนว่าจากนี้เราจะไปไหนวันนี้จะทําอะไรการที่เราแพ l a การที่เราสร้างความคิดขึ้นมาเป็นนั้นเป็นนี้จะทํานั้นทนํานี้อย่างมีความรู้สึกตัว การตั้งจิตคิดขึ้นมาอย่างมีความรู้สึกตัวแล้วก็ความคิดนั้นจบลงในเวลาที่เราต้องการ <c oughs> และความคิดนั้นเราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาและเป็นผู้ใช้มันแล้วก็จบมันตามต้องการลักษณะนี้เราไม่เรียกว่ารูปเรียก ว, ว่าเจตสิกอันนี้ภาษาเอาไว้นะเจตสิกก็คือเป็นตัวปัญญาปัญญาเจตสิกก็เรียกโสภณเจติตามาสาวพิธรมมันเป็นเจตสิกมันไม่ใช่รูป เพราะเราควบคุมมันได้แต่ถ้าเมาื่อใดเราคิดเราก็ไม่รู้ใช้ความคิดก็ไม่รู้ความคิดจะดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตรงนี้เราเรียกว่าความโลภความโกรธความหลงแล้วเพราะความไม่รู้เพราะนั้นเราจึงมาสร้างความรู้ไงเราไปปฏิเสธทุก์ไม่ได้แต่เราจะใช้ทุกขแต่เราจะดับทุกได้ เมื่อไรต้องการทุกข์ขึ้นมาเราสร้างได้เมื่อไรจะใช้ทุกข์บ้างเราก็สร้างได้เมื่อไรเราจะดับทุกข์เราก็ทําได้เหมือนไฟเนี่ยเราต้องการเมื่อไหรเราก็เปิดหมดประโยชน์เมื่อไรเราก็ดับใช่ไหมแต่ถ้าไฟนั้นเปิดไม่ได้ดับไม่ได้มันเกิดขึ้นเองเป็นไงเป็นปัญหาบ้านของคุณอาจจะเหลือได้ที่เท่าของของคุณอาจจะเสียเหมือนกับไฟชอ็อตการน้ําร้อนเมื่อคืนนี่นะเสียไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะเขาเรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นอ น, นัตตาควบคุมไม่ได้ ถ้ามันเป็นอนัตตาอยู่เนี่ยไม่ได้แต่ต้องเปลี่ยนอนัตตาให้เป็นธรรมเปลี่ยนอนิจจงทุกขังเป็นธรรมไม่ใจะไม่ให้เป็นอนัตตาแต่ถ้าปล่อยมันไปนตามเรื่องเนาะมันเป็นอนัตตาแน่นอนคือบังคับบัญชาไม่ได้แต่เราไปไม่ให้มันเกิดก็ไม่ได้ไม่ให้มันดับมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะเปลี่ยนมันเราให้เป็นอะไรไฟมันเข้ามาแล้ว มันก็จะต้องไม่ไปตามเรื่องของมันแต่เรามาเปลี่ยนเป็นแสงสว่างเสียมาเปลี่ยนเป็ น, ปนหุงข้าวตุ่มแกงเสียพอเสร็จธุละป่ปังแล้วก็ดับมันเสียเรียกว่าให้มันอยู่ในควบคุมได้ <c oughs> การภาวะที่เราควบคุมได้ต้องการเราเรียกว่าเป็นธรรมและธรรมอันนี้เกิดจากการที่เราเห็นรูปและนามเห็นว่าเออความคิดมันเป็นรูปนะความรู้สึกว่าเรากําลังคิดเป็นนามความปวดขานี่เป็นรูปนะแล้วมีเจตนาในการ บำบัดการปวดขายอย่างรู้สึกตัวมันเป็นนามเข้าใจยังอันนี้บอกกันแจ้งๆเลยนะไม่ต้องมาคิดท่ายากเลยนะต้องการบอกความจริงยังไงแต่รูปนามเนี่ยความรู้จากรูปนามมีสองระดับระดับสัญญากับระดับปัญญาญาณเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเนี่ยใครยังมีสติปัญญาไม่พอให้แล้วรู้ระดับสัญญาไว้ก่อนก็นแล้วกันแล้วสั่งสมสัญญาตัวนี้ไว้เรื่อย ๆ, ๆทุกเวลานาทีแล้ววันหนึ่งมันแก่พร้อมมันก็พับอัพ น่าเป็นตัวปัญญาขึ้นมาณวันใดวันหนึ่งส่วนจะช้าหรือไวขึ้นอยู่กับว่าความใส่ใจของเรา น, นั้นเราจึงมีการสร้างจังหวะเดินควบตลอดเวลาแต่ไม่แน่ใจว่าขณะที่สร้างจังหวนะรู้สึกตัวตลอดเวลาหรือเปล่าดูเหมือนเ๊ปป๊อปแป๊บแเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างร้อยครั้งเนี่ยเธอจะรู้สักกี่ครั้งเนี่ยรู้ไหมรู้สึกตัวชัดชัดกับอาการยกเนี่ยสักกี่ครั้งไปประเมินตัวเองถ้าร้อยครั้งมันรู้แค่สิครั้งนี่ไม่คุ้มกันนะเหนื่อยเปล่า ถ้ายกร้อยครั้งนะมันรู้สักห้าสิครั้งขึ้นไปโอเคถ้าร้อยครั้งเนะี่ยรู้ต่ํากว่าห้าิครั้งลงมาขาดทุนเหนื่อยปร่านะเดินก็เหมือนกันเราจึงใส่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเข้าไปถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาก็ตามแต่สัญญาอันนี้ก็เหมือนต้นไม้เนี่ยปลูกวันเดียวมันเป็นลูกไหมสั่งสมไปทีละวันทีละวันทีละวันแล้ววันแล้ววันหนึ่งมันมีความพร้อมขึ้นมมันก็เกิด ดอกมันมีความพร้อมข้างวันมันก็เกิดผลไอ้การที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันก็คือสั่งสมความพร้อมการที่เรารู้สึกตัวขึ้นทุกวันทุกวันคือการสั่งสมความพร้อมการสั่งสมความพร้อมตอนนี้ตามภาษาพระเร า, ษาเรียกว่าอะไรสั่งสมบุญบรารมีอ่บาบารมีแปลว่ารีดินเ s สแปลว่าความพร้อมรีดิอ่ะอยู่รีพร้อมอะไรยังอ่ารินแปลว่าความพร้อมแปลว่าบรารมีก็ได้อ่า อายุรดีลิซึ่อายุรดีลิริฮีอีกคุณพร้อมที่จะฟังหรือยังคุณพร้อมที่จะได้ยินหรือยังเห็นไหมความพร้อมเราเตรียมความพร้อมแต่ถ้าหากว่าคนไหนมีความพร้อมสูงมากอาจจะรู้รูปนามแบบทันทีทันใดในวันต่อไปในชั่วโมงต่อไปขึ้นอยู่ความพร้อมพวกเราเคยเห็นเขาตากถั่วไหมถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วอะไรเคยเห็นไหม ไม่เคยเห็นเพราะพวกเราไม่ใช่คนบ้านนอกพวกเราเ็นคนในเมืองเป็นส่วนใหญ่คนบ้านนอกจะเห็นถั่วเขียวเนี่ยเวลาเราตักไปนานๆแล้วเป็นยังไงมันแตกใช่ไหมป๊อบแป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเคยเห็นไหมแน่รู้ด้วยไหมว่ามันจะแตกเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่เมื่อมันมีความพอดีของอุดหภูมิพอดีความแก่จัดพอดีความแลไรพอดีก็แตกพั่วขึ้นมาในช่วงที่มันไม่แตกก็ตากแดดไปก่อนก็นล้วกันตากแดดไปเรื่อย แต่เม็ดไหนที่มันพร้อมก่อนเป็นไงมันก็แตกขึ้นมาก่อนแต่เม็ดไหนมันไม่พร้อมเลยตากกลางคืนกลางวันเป็นไงมันไม่แตกต้องรอไปอีกหลายปีทีนี้ในฐานะของชาวบ้านผู้ตากถั่วมันจะรอหลายปีได้ไหมกระทุบมันเฉลยนะเอาไปตำเอาไปนวดเอาไปเหยียบให้มันแตกช่วยมันหน่อยรูปนามโดยสัญญาก็เหมือนกันคนไหนมีปัญญามากคนนั้นจะแตกได้ไว รู้ได้ไวคนไหนมีปัญญาปานกลางก็แตกลําดับเราคนไหนมีปัญญาน้อยก็แตรช้าหน่ะคนไหนไม่มีปัญญาเลยหรือเข้าใจผิดก็ต้องได้เหยียบกันได้นวดกันให้มันแตกของมันนะไม่างนั้นอันนั้นในกรณีถั่วนะแต่ใ น, ในกรณีของนา ม, มาทําเนี่ยทาอย่างงั้นไม่ได้คุณจะรู้ไม่รู้เป็นเรื่องของคุณนะฉันเตรียมความพร้อมให้คุณก็แล้วกันนะแล้วคุณไปเตรียมความพร้อมให้ถูกต้องก็แล้วกันถ้าคุณเตรียมความพร้อมไม่ถูกต้องบุญบรารมีที่คุณสั่งสมมามันผิดก็ต้องไปแก้ใหม่นั่นก็คือ เพราะนั้นการสร้างบารมีไม่ใช่ไปนึกถึงชาติแล้วชาติก่อนโอ้ฉันมาปฏิบัติเท่าไหร่ฉันก็ไม่รู้เพราะว่าฉันไม่สร้างบารมีมาก่อนนี่ถูกไหมอันนี้มีตัวอย่างขึ้นมานิดหนึ่งมีหลวงพ่อคนหนึ่งเรียกวหลวงพ่อกลมเ อ, อ่ยชื่อเลยหลวงพ่อกลมนี่นะเดินโยกลมสร้างจังหวะมาเป็นปีกว่าแล้วปรากฏว่าพรูกนามไม่รู้ ก็ขัดใจเหลือเกินบอกอเราคงไม่มีบุญบรารมีวันหนึ่งท่านก็ไปลาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเขาผมปฏิบัติมาปีฝา่าเนี่ผมไม่รู้รูปนางก็ยังไม่รู้เลยผมคงบุญบรารมีผมไม่ได้สร้างมาทางนี้ผมขอลาศึกอายุหกสิบป่าแล้วนะทีนี้หลวงพ่อเทียนก็ถามว่าหลวงพ่อผมไอ้บุญบรารมีนี่ ม, มันแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ได้สั่งสมคุณงามความดีมนุษยชาติปังก่อนมากมายมีความพร้อมเป็นบุญบรารมีหลวงพ่อเทียนบอกไม่ใช่ บุญบารมีแปลว่าขยันแค่นี้แหละถ้าคุณยังขยันอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณมีบุญบารมีแล้วสร้างสมมาดีแล้วแต่ว่าอาจจะขยันยังไม่ถูกขยันยังไงถึงจะถูกขยันเอากายกับใจมาอยู่ด้วยกันถ้าขยันคิดขยันปรุงแต่งแล้วขยันตลอดปีตลอดชาติมันก็ไม่รู้เพราะขยันผิดที่แต่ขยันรู้ตัวจะกลับไปบ้านจะไปนั่งสร้างจังหวะงี้ได้ไหม กลับไปบ้านไปเดินโยกมีงี้ได้ไหมเดี๋ยวเขาก็ว่าคุณเพี้ยนเท่านั้นเองไงใช่ไหมเออถ้าจะทำยังไงอ่ะกลับไปบ้า น, านมขาบอกไม่ให้ไม่ใช่ไม่ทําคุณต้องฉลาดในการทําดีใช่ไหมคุณนั่งสร้างจังหวะไม่ได้คุณก็อาจจะยกอันนี้ย้ายอันนี้อย่างรู้สึกตัวก็เหมือนสร้างจังหวะแล้วเนี่ยใช่ไห ม, มคุณดื่มเข้าไปแล้วคุณกินกี่ครั้งคุณก็รู้สึกตัวแล้วคุณจะจับตรงนี้ไปไว้ไปวางก็รู้สึกตัว ว่างนักกับเบาในดีฝ่าว่างดังกับไม่ดังอันไหนดีกว่าคุณก็มีสติรู้ตลอดใช่ไหมเดินดังกับไม่ดังอันไหนดีสติมันเกิดตลอดถ้าคุณไปรู้มันะ่ะแต่สติที่นั้นต้องเป็นสมมาสติคือรู้ถึงความเหมาะไม่เหมาะสมไม่สมควรไม่ควรด้วยแต่คุณมีสติก็จริงแต่ว่าครูุณเดินอย่างรู้สึกตัวเดินตึงตึงตึงตงึเป็นสมมาสติไหมคุณรู้สึกตัวก็จริงแต่ว่าถามว่ามันไอคนอยู่ข้างล่างหรือคนอยู่ข้างนอกเขาได้ยินเนี่ยมันดำผ่าน นั่นเขาเรียกเป็นมิจฉาสติคุณรู้สึกตัวก็จริงแต่ว่ามันเป็นมิจฉาสติผมคินเล่าได้แต่ผมก็รู้สึกตัวในการกินถูกต้อง <c oughs> ผมมีวิธียกแก้วอย่างละเมียดละไมแล้วผมมีวิธีดื่มอย่างละเมียดนุ้ยไรแล้วเล่ามันรู้สึกลดอย่างไรผมก็รู้สึกตัวอย่างดีถามว่ารู้สึกถูกต้องไหม <c oughs> มันมีสติเหมือนกันแต่เป็นมิจฉาสติต้องดูตรงนั้นด้วยเมื่อก่อนอยากจะพูด ฉันก็รู้สึกตัวในการพูดแต่พูดให้คุณเจ็บใจได้ด้วยและสรรหาคําพูดที่แสบๆได้ด้วยหลังจากมาเจริญสติมาเนี่นะแล้วคนพูดยังมีศิลปะ ด, ด้วยคุณพูดยังใช้คําพูดอย่างแหลมคมและเจ็บปวดด่าคนโดยที่ไม่ต้องทําหน้าบึ้งก็ได้ทําหน้ายิ้มก็ได้แต่ด่าคนได้แสบมากถามว่าเป็นสติไหมเป็นสติเป็นปัญญาเหมือนกันแต่ว่าถามว่าเป็นมิจฉาสติหรือเป็นมิจฉาปัญญาก็เป็นสัมมาสติหรือเป็นสัมม า, เ ป, มาเป็นมิจฉาสติใช่ไหม ตรงนั้นด้วยนะที่ว่ามันช้าหรือเร็วเนี่ยเพราะนั้นเราต้องไปสั่งสมอะไรสัมมาสติความรู้สึกที่ถูกต้องคุณกินข้าวเหมือนกันไหวมนันรู้สึกตัวเหมือนกันไหวถามว่างามไหมไม่งามคุณกินข้าวรู้สึกตัวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่งามจึงไม่เป็นสามีจีปฏิปโนนะเพราะเรื่งสามีจีด้วยคือทาให้เหมาะสมให้ยอดงามเหมาะกับสมุติที่ น, นั้นๆด้วยนะ คุณอยู่เมืองไทยคุณใช้ช้อนได้ไหมแต่เอาคุณไปที่ศีลังกาเนี่ยคุณจะไม่ใช้ช้อนอย่างนี้รู้สึกว่าเขาเห็นแล้วก็ตลกไปศีลังกาคุณต้องใช้อะไรใช้มือเปิบนั่นเป็นสามีจีที่นั่นเหมาะสมต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับที่นั้นๆเรียก็เป็นสามาสติแล้วก็มีสามีจีปฏิบันโน้ด้วยเหมาะสมใช่ไหมถ้าคุณไปเมืองจีนคุณไปนั่งเปิบข้าวเข้าปากเขาก็หัวเราะเยาะคุณอีก เขาใช้อะไรเขาใช้ะเกียบคุณก็ต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับที่นั้นๆเรือกเป็นสัมมาสติเห็นไหมนอกจากรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วยังไม่พอนะคุณต้องมีคําว่าสามีจิตปฏิปันุด้วยการปรับตัวให้เหมาะสมกับที่นั้นๆปรับตัวให้เหมาะสมกับขนุนทเมียมประเพณีกฎหมายของบ้านเมืองของสมุดทําให้ถูกสมุดด้วยดังนั้นเป็นสามีจิตปฏิปนุเพราะนั้นคําว่าสัมมาสตินี้ไม่ใช่ธรรมดานะมันก็ต้องมี definition ของมันต่างหาก มีคำจำกัดความของมันต่างหากอ่าเอาหลวงพ่อไปไกลแล้วนี่เนาะรู้สึกตัวได้ยังตอนนี้พลิกไปหลายครั้งอะไอยังอ่าพลิกอย่างรู้สึกตัวนะอย่าฟังเพลินอ่อย่าฟังเพลิ น, ลนทีนี้ในการบําบัดทุก์เนี่ยมันมีเป็นบางครั้งหรือเป็นมีบ่อยครั้งในชีวิตประจำวันของเรามีบ่อยครั้งปัญญาเกิดบ่อยครั้งได้ไหมได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีการพลิกการเปลี่ยนการเคลื่อนการไหวโดยที่เขาไม่ไม่เข้าไปรับรู้ไม่เข้าไปรู้ชัดๆเนี่ยอะไรเกิดมาแทนแทนที่จะปัญญาเกิดอะไรเกิดโมหะมันเกิดไปเพิ่มกําลังให้กับสติที่เป็นสัญชาตญาณแต่พอมีความรู้สึกตัวทุกครั้งในการเปลี่ยนเราก็เพิ่มกําลังให้กับปัญญายานโอกาสที่เราจะไปรู้รูปนามตามความเป็นจริงที่มันแตกพวกขึ้นมาวันใดวันหนึ่งก็เกิดแต่บางคน สติปัญญาค่อนข้า ง, างาช้ามันอาจจะไม่พวะทันทีแต่มันค่อยรู้ไปทีละนิดเลยนี้นั่นก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นการรู้รูปนางจะมีสองอย่างรู้ไปตามลําดับกับรู้ทันทีคนที่มีปัญญาแก่กล้าก็เหมือนกับฝักถั่วที่มันมีความแก่พร้อมเมื่อไปต้องแสงพระอาทิตย์ได้ไม่นานอุณหภูมิแก่จัดมันก็แตกพ่วขึ้นมาอย่างนั้นก็มีท่านจึงแยกบุคคลไว้เป็นสามเหล่านรือสี่เหล่าเหล่าที่หนึ่งฟังแล้วเข้าใจทันทีเปเรียกว่าอุคติเตนยู เราที่สองฟังแล้วเอาไปตั้งใจทําอีกหน่อยหนึ่งรู้เข้าใจเรื่องวิปจิตันยูรู้เราที่สามต้องบอกแล้วบอกอีกสอนแล้วสอนอีกทําแล้วทําอีกก็มีโอกาสได้รู้ตามลําดับเรียกว่าไนยะหรือเวไนยสัตว์ไนยะบุคคลเราที่สี่นี่พระพุทธเจ้ามันหยาดหรือเปล่าเรือ่องพระท่าปรมะนี่นะไม่แน่ใจนะอาจจะเกิดมาทีหลังนหละห ม, มายความสอนแล้วก็ไม่เอานะไม่ฟังทั้งนั้นนะไปทําอะไรมา นะไม่เอาตรงนี้เขาเรียกประทับปรารมาหรือนี้เขาว่าอะไรไม่ใช่ดอกบัวใต้ตุ่มนะบัวดอกบัวใต้คนจีนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ฝุดได้เกิดเลยนะซึ่งทีนี้ท่านก็แยกเอาไว้ทราถ้าเป็นรูปธรรมเส้ในเหล่าที่หนึ่งเหมือนกับดอกบัวที่พ้นน้ําแล้วเพียงแต่แสงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาสมควรแล้วดอกนั้นก็จะบานเหล่าที่สองดอกบัวนั้นอยู่ที่ปิ่มน้ําก็จะบานในวัน รุ่งขึ้นเหล่าที่สามดอกบัวที่มากลืนกลางน้าก็จะบาดในวันต่อไปเราเป็นเหล่าไหนละ่ะคนไหนขยันมากอย่างถูกต้องเขาเป็นเหล่าที่หนึ่งคนไหนขยันมากแต่ถูกต้องน้อยหน่อยก็เป็นเหล่าที่สองคนไหนขยันบ้างไม่ขยันบ้างรู้ถูกต้องไม่ถูกบ้างก็เป็นเหล่าที่สามคนไหนก็ไม่ขยันเลยก็ไม่ยอมรู้เรื่องนี้เลยก็เป็นเหล่าที่สี่เป็นอาหารของเต่าและปลาไป แต่บางดอกก็รอดขึ้นมาได้เหมือนกันนะอาจจะไม่ใช่ชาตินี้อาจจะเป็นชาติหน้าอาจจะเป็นปีหน้ า, า จ, จะเป็นอโอกาสหน้าก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกนะมันไม่ใช่เรื่องที่ซีเรียสอะไรนะเรื่องสนุกมากแต่หลวงพ่อรู้เรื่องนี้มาปี 25. 29้าเก้จนถึงปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อมีความสุขมากเลยแล้วก็เก็บความสุขนี้ไว้ไม่ได้ต้องไปไล่บอกคนทั่วโลกอะ่ะนะที่ไหนมีความสามารถไปไปนี่พระชินควงมาตามถึงที่นี่แล้วแต่เนี่ยไม่รู้ปีหน้าจะไปมึงจีนอีกหรือเปล่าลูก แต่ปีหน้าพีโคบุกแกงไปเขาไปเปิดต่อที่ยุโรปเพราะพวกยุโรปมาปฏิบัติที่อเมริกาแล้วเขาไปเปผยแพร่ที่ยุโรปเพต้องการให้หลวงพ่อไปช่วยต่อที่ยุโรปบอกปีนี้มันหมดส케จูเวอหมดตารางเวลาแล้วนะขอว่าเป็นปีหน้าก็เลิกกันเพราะฉะนั้นคนที่ไหนก็ต้องการตัวนี้ต้องการความไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นรูปรู้จักใช้ให้มันถูกต้องเพราะารูปเป็นที่ตั้งของทุกขังอนิจจังอนัตตา เมื่อเราปรับใช้เจริญสติปัญญาและปรับใช้รูปอย่างถูกต้องรูปนั้นก็จะอำนวยความสะดวกให้กับเราเหมือนไฟมันเป็นที่ตั้งของความร้อนก็จริงแต่เราปรับใช้อย่างถูกต้องมันกลายเป็นแสงสว่างรูปคือการปวดขามันเป็นทุกข์ก็จริงถ้าเราปรับใช้มันอย่างถูกต้องการปวดขาก็ขอให้เกิดสติปัญญาาณได้นะทุกอย่างก็ให้เกิดสติปัญญาาณได้ถ้าเรา มีความรู้สึกตดูดควาการมาสร้างความรู้สึกดูดความคือมาสร้างความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้เป็นแสงสว่างที่จะเปลี่ยนความร้อนให้เป็นแสงสว่างไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่ต้องไปอยากรู้หรอกตัวรูปนามตัวสมมุติปรมัติแต่ทําเหตุให้มันถูกต้องแล้วผลมันจะเป็นไปเอง เหมือนกับต้นไม้คุณปลูกในอากาศที่ถูกต้องดินที่ถูกต้องปุ๋ยที่ถูกต้องความพอดีถูกต้องไม่ต้องหวังว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นมันกดโดยธรรมชาติมันต้องเป็นถึงคุณไม่หวังก็ต้องเป็นไม่อยากจะให้มันโตมันก็โตแต่ถ้าคุณทํามันไม่ถูกต้องมเมล็ดไม่ดีมเมล็ดรีบบ้างมเมล็ดเสียบ้างดินไม่ดีบ้างดินเปรี้ยวดินเค็มหรืออากาศไม่ถึงบ้างคุณปรารถนาวันละร้อยครั้งพันหนมันก็ไม่เกิดขึ้นตามที่คุณต้องการ การรู้ธรรมะเหมือนกันแล้วอยากปฏิบัติไปแล้วอยากจะออกมาเป็นรูปเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลตามที่เรากันมันไม่ได้ถ้ามันเตรียมไม่ถูกต้องแต่ถ้าเตรียมถูกต้องแล้วไม่ต้องหวังมันเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นเวลาบำบัดทุกทุกครั้งอย่าลืมเอาสติเข้าไปด้วยทุกนั้นก็จะกลายเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นทุกต้องกาหนดรู้แต่สมุทัยมันคืออะไรเพราะสมุทัยต้องละ สมมุติว่าคุณนั่งอย่างนี้มันปวดขาคุณไม่อยากจะให้มันปวดรู้สึกลำคาญเลยคืนปวดขานี่เปลี่ยนบ่อยๆคิดอะไรใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วรูปเกิดขึ้นในใจแล้วทุกคนตามไปได้ยังก็คือความรู้สึกไม่สบายใจงุนงงลำคาญอ่ะทีนี้อยากจะเปลี่ยนบ่อยๆความจริงมันยังปวดไม่ถึงที่นะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนปับป๊ บ, บ, บเนี่ย เพราะอยากจะสบายความอยากเกิดขึ้นเรียงทุกเกิดขึ้นแล้ว <S <S เพราะฉะนั้นทุกกเวทนาที่เกิดขึ้นต้องให้มันเต็มที่สักหน่อยหนึ่งแต่อย่าให้มันเต็มทีถ้ามันเต็มทีเหมายความว่ามันก็เบียดเบียนตัวเองแล้วใช่ไหมให้มันเต็มที่หมายความว่าเต็มที่ที่เราทนได้แต่เมื่อใดเราทนไม่ได้แล้วอย่าไปทนต่อไปแต่เปลี่ยนอย่างรู้สึกตัวเท่านั้นเองแต่บางดัชที่บอกว่านั่งให้มันทะลุเลย เพราะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมมันเป็นอนัตตาเนี่ยเพรื่อนั้นไปนบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องลุกมันนั่งมันทะลุไปเลยนั่งมันสว่างไปเลยถูกไหมเป็นมิจฉาสติมิจฉาปัญญาพระพุทธเจ้าทํามาก่อนแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าทําทุกกรกิริยาบําเพ็ญทุกกรกิริยาใช่ไหมไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่แทบจะไม่หายใจอ่ะในที่สุดจนจะตาย ในที่สุดมันไม่ใช่ทางสายกลางท่านคลิกขึ้นมาในใจเองแต่ว่าต้องทําให้มันอาชจพจา์นหน่อยว่ามีพระอินทรลงมาดีดพีนสามสายสายที่หนึ่งดีดแรงไปในขาดสายที่สองบิดหย่อนไปหน่อยมันไม่ดังพอหมุนสายที่สามพอดีดังพุทธเจ้าก็เลยได้เพราะพุทธเจ้าไม่เก่งเลยในต้องอาศัยพระอินทร์มาช่วยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ท่านเกิดพับอัพเกิดปัญญาขึ้นมาคลิกขึ้นมาในใจนะอ๋อ ไอเราทรมานขันานีแ้แคบจะตายก็ทํามาแล้วมันไม่ใช่ไอเราอยู่ในบ้านในเมืองมันสบายเกินไปมันก็ไม่ใช่ไหนมาปรับให้มันพอดีสิเมื่อก่อนลูกเกินน้ำน้าเกินลูกมันไม่พอดีพอปรับรูปน้าให้พอดีกินข้าวอาบน้ำอะไรปกติได้ให้รู้สึกดูเไปเรื่อยๆรไม่นานการพบความพอดีของลูกของน้ำนี่อีกเราเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าสอนทางสายไหนสายกลางถ้าคุณนั่งจนปวดเกินไปไปสําคัญมันหมายว่าความปวดที่เป็นเรา จะาความปวดเนี่ยเป็นเครื่องมือในการบรรลุธรรมเป็นทางสายตูวขวาจัดหรือบางที่เปลี่ยนไวเกินไปปบก็เปลี่ยนปบก็เปลี่ยนมันยังไม่ถึงที่เลยเป็นทางสายหย่อนสบายเกินไปไม่รับความทุกข์เลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อสุขเพื่อทุกข์แต่ให้รู้จักสุขให้รู้จักทุกข์เอาไฟเข้าบ้านไม่ใช่มาเผาบ้านตัวเองแต่ให้รู้จักใช้ไฟตามความเหมาะสมการรู้จักใช้ไฟนี่เองเราเรียกว่าปัญญา การรู้จักใช้ความคิดควบคุมคิดตัดความคิดเป็นเราเรียกว่าปัญญาไม่ใช่ความคิดแต่ความคิดที่มันจะเบียดเบียนเราเมื่อมันเกิดขึ้นก็ไม่รู้ใช้มันก็ไม่รู้มาดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตรงนี้กลายเป็นอะไรเป็นโมหะเป็นอวิชชาแต่เราจะใช้ความรู้สร้างความคิดที่ขึ้นมาสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาคุณเก่งเท่าไหร่คุณคิดออกมาได้เลยเราคิดแล้วคุณต้องจบนะถ้าคุณจบไม่เป็นความคิดนั่นเป็นไง เล่นงานคุณอีกตอนแรกคุณตั้งใจคิดอย่างดีแล้วนะพอเผือ<ๆ>ป้ามันคิดต่อเลยยาวเลยตรงนี้ปัญญาคุณยังไม่พอคุณเจ้าต้องไปสร้างสถิปัญญาให้มากกว่า น, นั้นหมายความว่าเรื่องเนี้ยโปรเจกต์เนี้ยจะใช้เวลาคิดเพียงห้านาทีก็คือห้านาทีเพอคุณคุณคิดได้ห้านาทีจบปิดบัญชีกันเลยแล้วจากนั้นให้จิตของเราว่างเอาไวา้ตัวอย่างง่ายๆคุณทานข้าวแต่ละครั้งที่บ้านของคุณถ้าทานข้าวแล้ว ไม่ล้างจานเกิด อ, อะไรขึ้นแล้วคุณจะกินมื้อต่อไปคุณก็เอาจานนะั้นมาตักกินเีงได้ไหมม่ได้ในรูปพรธรรมมันสอนเราทุกวันพอท่านทา น, ข, าทานข้าเสร็จเรารีบล้างจานใช่ไหมหล้างเสร็จแล้วไปเก็บไว้เมื่อถึงเวลาทานใหม่ก็มาตักกินได้อย่างปลอดภยัยจิตเราเป็นภาชนะอันหนึ่งเมื่อคุณจะใช้คิดของดีของไม่ดีเรื่องดีไม่ดีเขาคิดเสร็จต้อง ล้างแต่คุณมีวิธีล้างมันหรือยังนี่คือเรามาเรียนวิธีล้างจิตก็คือตัวความรู้สึกตัวทั่พร้อมเป็นเสมือนน้ำที่จะล้างจิตของเราให้สะอาดเพราะนั้นคำสอนพระเจ้าไม่มากมีแค่สมอย่างหนึ่งสัพพะปาปสัสสะการอย่าทำให้จิตนี้แปดเพื่อนโดยไม่จำเป็นสองถ้ามันจำเป็นต้องแปดเพื่อนต้องใช้ที่สองกูเลสู้ประสบบาเอาไปใช้คิดในสิ่งที่ดีๆสาม เมื่อคิดสิ่งดีหรือไม่ดีแล้วคุณต้องล้างสจิตปรีโยธาบนังเหมือนจานที่คุณใช้แล้วก็ต้องล้างเสื้อผ้าคุณใส่แล้วก็ต้องซักแต่เราเคยคิดถึงเรื่องจิตบ้างไหมคิดมันแต่พื้นแต่พื้นวันไ ม, ไม่รู้คิดกี่เรื่องถ้าเป็นผ้ามันเปื้อนไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยแต่เราเคยซักมันนุ่งไหมนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจว่าคุณทํำไมถึงทุกข์เพราะคุณไม่รู้จักวิธีซักจิตอ่าไม่รู้จักวิธีชาําระจิตมีอันที่หนึ่งที่สองอ่าทำจิตให้ ไม่สมองได้คิดแต่เรื่องดีได้แต่คิดเรื่องดีคิดตะลอดเลยทียเนี้ยแผ่เมตตาอย่างง้นอย่างนี้เหมือนกับอาหารเนี่ยคุณใส่อาหารดีมากกินอร่อยแต่อาหารจานเนี้ยทิ้งไว้สามวันไปไงเป็นพปนอาหารดีหรือไม่ดีแล้วเพราะอาหารมันเป็นรูปหรือเป็นนามมันเป็นรูปรูปจ้องมีโกดของมันก็คือต้องเปลี่ยนแปลงบูดเน่าเสียคือทุกข์ใช่ไหมแล้วก็ใช้ไม่ได้คือหน้าตา อันาตาตาแบลว่าใช้ไม่ได้เพราะแต่อาหารนี้พอกินจบแล้วคุณเอาไปล้างนี่คือชีวิตประจําวันแต่อาหารเสียอาหานบูดเราไม่ได้ใส่แน่นอนใช่ไหมเพราะนั้นจิตของเราอย่าให้มันบูดมันเสียโดยไม่จําเป็นแต่ถ้ามันจําเป็นต้องบูดต้องเสียละ่ะก็ต้องใช้ใช่ไหมบางครั้งคุณต้องเอาจานนี่ไปใส่ขี้ไก่มาใส่ปุ๋ยอ่ะเสียแล้วคุณก็อาจานนี่ไปล้างก็ไปใส่อาหารได้ใช่ไหมเออบางครั้งแก้วบางเนี้ยถึงเวลาหลวงพ่อก็ไปใส่ปัสสาวะดื่มเพาหลวงพ่อดื่มปัสสาวะ เอาเศษรองพ่อก็ไปล้างเอาไปใส่วนตินฉันเก้ยวเดียวกันนี่แหละนะเพราะฉะนั้นจิตมันไม่มีดีไม่มีชั่วแต่เราต้องรู้จักใช้ความรู้สึกตัวนี่เหมือนกันถ้าใช้ในทางถูกเราเรียกว่าปัญญาถ้าใช้มันไม่เป็นเราเรียกว่าโมหะเพราะฉะนั้นเรามาสร้างความพร้อมของความรู้สึกตัว ฉันเช้าเวลาถ้าไหนลงตามไม่ได้บอกเวลาผมแล้วเนี่ถึงเวลาหรือยังใกล้แล้วนะโอมันสนุกนะพูดเรื่อง น, งนี้นะมันจบไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะทั้งใจทําด้วยความสบายบําบัดทุกข์ให้เป็นแปลงความทุกข์ให้เป็นความรู้ให้ได้แปลงความเคยชินให้เป็นความรู้สึกตัวให้ได้แล้วมันจะไม่ยากเลยเมื่อก่อนแล้วไม่มีโอกาสเลยนะ พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติมาเข้าป่าเข้าธรรมเข้าเหวต้องบวชเท่านั้นปีเท่านี้เดือนแต่เดี๋ยวนี้มันเจริญตั้งแต่หลวงพ่อพุทธธาตเกิดขึ้นหลวงพ่อชาเกิดขึ้นหลวงพ่อเทียนเกิดขึ้นเหมือนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาธรรมะขอระเจ้าก็มีเทคนิคในการพัฒนาให้ของยากให้เป็นของง่ายของลึกให้เป็นของตื้นของที่มองไม่เห็นให้เป็นของที่มองเห็นของที่ทำไม่ได้เป็นของที่ทำได้ของที่ใช้เวลายาวให้เป็นเวลาสั้นได้ ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการของเราทําความเข้าใจนี่เลยว่าทุกกําหน ด, ดรู้สมูทัยต้องรักมนความอยากให้มันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ที่ไม่ได้ตั้งแต่เป็นสมู ท, ทยัยนะแล้วก็นิโรธก็คือทําให้ความไม่ทุกข์ปรากฏให้ได้นั่งนานมันทุกข์ลุกขึ้นความไม่ทุกข์ปรากฏละปรากฏชัด นิโรธต้องทําให้แจ้งความรู้สึกตัวเนี่ยต้องแจ้งชัดนะมันหายไปให้รู้แจ้งแจ้งชัดนะมันยังอยู่ก็ให้รู้อ่าเดี๋ยวนี้ความไม่สบายหายไปแล้วให้รู้เป็นนิโรธล้อ่าทีนี้พอนั่งไปใหม่มันก็ทุกใหม่ทุกใหม่แล้วก็กาหนดไปเรื่อยๆกำหนดรู้ทุกไอการกำหนดรู้ที่มันกําลังเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่ในดับไปไอโทนได้ไม่ได้เรียกว่ามักมักต้องเจริญรู้มันบ่อยๆรู้มันบ่อยๆพอมันแก่เต็มที่แล้วทุกมันแก่เต็มที่แล้ว มันทุกตอนมันจะตายแล้วใช่ไหมเราก็มีสติในการตายคือรู้จัดการเอาความคือนียบทนั้นตายแล้วอริบทนั่งเมื่อกี้มันตายแล้วที่มายืนนู่นี่นเป็นชาติใหม่แล้วคือชาติยืนเมื่อกี้มันชาตินั่งนี่การเกิดแก่เจ็บตายของพบชาติของรูปเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้ววันใ น, นการเกิดแก่เจ็บตายของนามานา ม, มารูปคือความคิดเนี่ยนับได้ไหมไม่รู้วันคิดกี่ครั้งแต่เราไม่เข้าไปรู้ความเกิดแก่เจ็บตายตรงนี้ มันถือเป็นอะไรอวิชาอันนแวร์คือไม่รู้เท่าทันในสิ่งที่มันกำเกิดระดับตลอดเวลาอ่ะพอมันยืนนานๆเป็นไงมันแก่ไหมแก่ก็คือมันเจ็บยืนนานๆมันขาับแก่หรือยังแก่แล้วมันจะตายไหมถ้ายืนไปไงตายแล้วเกิดใหม่ถ้านั่งนี่การเกิดแก่เจ็บตายมันปรากฏหน้าตรงนี้แต่เราเห็นเหมือนมึงไหมในแต่ละวัน ไม่เห็นเพราะมีอวิชชาบังดวงตาเราอยู่หลวงพ่อนั่งตัวนี้ไม่นานหลวงพ่อต้องตายแล้วในผู้ได้ศาสนาคําว่าเกิดว่าตายทางรูปเนี่ยท่านไม่ใช้ท่านใช้คําว่าเกิดดับมันเกิดแล้วมันก็ดับถ้านั่งนี้มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ถ้านั่งนี้ก็ดับไปความคิดเมื่อกี้มันเกิดแล้วความคิดนั้นก็ดับไปใช่ไหมเรารู้ในการเกิดดับของสิ่งนี้แล้วรู้รู้สัจยา ข, ของมันรู้ความจริงของมัน นั่นเรียกว่าปรามัดถสัจจคเข้าใจยังวันนี้นอกจากเราจะรู้รูปนามแล้วอาจจะบางคนสติปัญญาพออาจจะสัมผัสได้ถึงปรามัตดด้วยนะแต่ว่าถ้าห่ากยังสัมผัสไม่ได้ไม่เป็นไรไปเตรียมความพร้อมเรื่อยๆทําความรู้สึกตัวเรื่อยๆมันอาจจะรู้วันนี้พรุ่งนี้มะลือนี้ก็ได้ไม่ต้องลังเลสงสัยเลยอันนี้คือเป็นสูตรสำเร็จถ้ามันผิดเนี่ยหลวงพ่อผิดมาแล้ว30สิกว่าปีเนี่ยถ้ามันถูกมันถูกมาแล้วสาสิบกว่าปีหลวงพ่อยืญญญนยัน แต่ก่อนที่จะมาจับตรงนี้ได้หลวงพ่อใช้เวลาเกือบสิปีซึ่งต่างกับพวกเราใช้เวลาไม่ถึงสิวันเพราะอะไรมันจึงยากขนาดนั้นเพราะรู้มากเรียนมากจํามากคิดมากมันก็จะต้องใช้เวลามากแต่คนไหนรู้น้อยคิดน้อยจําน้อยใช้เวลาน้อยแต่ให้รู้มากๆท่านไม่ให้ใช้ความคิดแต่ให้นายใช้ความอะไรความรู้คุณคิดได้คิดอย่างมีสติเราเรียกวความรู้คิดอย่างขาดสติเรียกว่า ความคิดหรือสังขารถ้าคิดอย่างมีสติแต่ว่าคิดอย่างมีสตินะี่ถ้าสติน้อยไปมันจบไม่ลงมันกลายเป็นอะไรกลายเป็นสังขารเหมือนกันดังนั้นมันดูตรงนั้นด้วยนะรายละเอียดของมันนะไม่ใช่ว่าทุกครั้งมีสติในการคิดแล้วมันจะกลายเป็นปัญญาไม่ใช่บางทีสติไม่พอมันไม่กลายเป็นแต่คุณก็ใช้จํานวนสติเท่าที่มีคิดแล้วมันทําถ้าจะเกินเนี่ยแสดงว่าปัญญาคุณไม่พอที่ขุมมันได้แล้วคุณตัดทันทีเลย แต่ว่าเออยังคุมมันได้อยู่นะใจหยุดตรงนี้ก็ได้นะความคิดเนี่ยคําพูดจะพูดหยุดพูดตรงนี้ก็ได้นะคุณควบคุมตัวเองได้แสดงว่าคุณมีปัญญาตัดเลยปัญญาแปลว่าตัดใช่ไหมแต่ถ้าคิดไประเบิดระเบิดแล้วคุณยังตัดมันไม่เป็นปัญญาคุณไม่พอคุณต้องกลับมาฝึกฝนตัวสติตัวสมาธิเนี่ยให้เข้มแข็งต่อเนื่องไปจนปัญญาคุณคมพอที่ตัดขาดได้ทุกครั้งนั้นคุณไว้ใจได้ว่าคุณเข้าถึงตัวสภาวะนี้ได้โดยไม่ยาก ดังนั้นเช้านี้คนขออนุัมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายเรามีเวลาน้อยจําเป็นจะต้องบอกความจริงกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้นะเพราะวัาพ่อเสียเวลามานานแล้วแต่อย่าให้พวกเราต้องเสียเวลาตามแต่ว่าทําอย่างระมัดระวังทําอย่างถูกต้องแล้วความถูกต้องอันนี้จะทําให้เราเกิดสัมมาพุทธะคือความรู้ที่ถูกต้องแล้วเราก็จะอยู่เหนือทุกข เหลือส th ุดด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิ